ตลอดพรทั้งสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพกกระดิบครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อจิตใจวิถีจิตใจ จิตใจมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นนี่คือปางว่ามงคลหนึ่งในสามทแปดมงคลที่พระเจ้าสอนชาวพุทธไหยเราปฏิบัติกันวันนี้ก็ถึงถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือวันนี้เราจะไปเริ่มต้นที่เด็กๆ ก, ก่อนเลยวันนี้จะม่นกับเจ้ที่่ามารกราบมรดกสการพระจ้คคับ เป็นอย่างไรบ้างโ <Okay. S 1> อเคค่ะกลับมาเหมือนเดิมไม่ยังเอานั่งสมาธิได้ไหงครับคือมีนั่งว่างครับบ้างเลยเลยยากไหมพอไม่ได้ทำแล้วกลับว่าทําใหม่มันยากอ่ <c oughs> จะจำไม่ค่กมากครับจะจำไว้พยายามทําอยู่เรื่อยๆพอหยุดไปแล้ว <c oughs> มันจะกลับมาทําใหม่มันจะยา ก, ก <c oughs> อ่ะครับเพราใจมันไม่ค่อยชอบทํา ออไม่ได้ทำมันก็เลยติดใจอ๋อให้มันกลับมาทามันก็ไม่อยากทําครับต้องพยายามทให้ได้ทุกวันนะค่ะวันนี้จะส่งการบ้านก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผู้สมควละปาร์นั่งเราไปดีข้ามก่อนครับเรามีการเรามีความแก่เป็นธรรมา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 เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นภายญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอเราต่อด้วยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ไรกระดูก น้ำหัวใจจับขังผื่นไตปอดไ้ใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายาในสมองศีสะน้าดีน้ำเสลน้ำเนือเลือดน้ำเหือน้ำมันมัน้นน้ำตาลเปลวน้ำตานูดน้ำไขข้อน้ำหููน้ำมูน้ำไขข้อน้ำหมูจะน้ไปเปลียนน้ำตาลค้น น้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเฟื่องน้ำจลเลน้ำดีเยือนในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส่ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจมา้าเยลือนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนี่คือร่างกายของเราใช่ไหมใช่ครับไม่มีตัวเราใช่ไหมมีหรือเปล่าไม่มีค<ม>ุครับ มีแต่ผมนผมเป็นเราอะเวลาลตัดผมทำไมต้องเสียใจด้วยถ้าไม่ได้เป็นเราเวลาวนลคนผมทำไมต้องเสียใจด้วยวเดี๋ยวล อ, องโนผมไหมไ ม, ไม่ใช่น ะ, ะโคลนได้ไหมโคลนได้เค <laughs> ่จะไม่ฉุกลงนะ ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลในร่างกายนี้ครับเราเป็น invisible man เราเป็น user เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายดนั้นเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจแต่เราห้ามมันไม่ได้เราห้ามมันไปแล้วมันจะแก่เราก็ห้ามมันไม่ได้ไปแล้วมันจะเจ็บเราก็ห้ามันไม่ได้ไปแล้วมันจะตายเราก็ห้ามันไม่ได้ ต้องยอมรับนะบ ค, ครับทั้งของเราทั้งของแม่ของพ่ อ, อตเหมือนกันหมดนะครับแล้วถึงเวลาอย่าเล่าได้นะเดี๋ยวจะพยายามไม่ร้องคอยเตือนใจเลยนะคายสอนใจเออยครับมีคุณค่ามากมีประโยชน์มาก ทำให้จิตใจเราไม่ค่อยวุ่นวายหมายถึงวิทย์ต่ อ, ต อ, ตอกําำลังกับคน น, ค น, นี้ค<อ>นนะี้ครับคุณโอเคนะมีอะไรยังถามไหมยังไม่มีแล้วครับแต่แต่มีเรื่องเรียนพระอาจารย์ค่ะว่าเด็กๆนะค่เะเขาก็มีพัฒนาการนะคะเหมือนกับเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือ สิ่งที่ควรทําอะไรมันมีสาระแก่นสารหรือว่าอะไรมันเป็นเรื่องของโลกอะค่ะวันก่อนหนูชวนเขาบอกว่าไปนอนโรงแรมที่พัทยาโรงแรมเปิดใหม่อวกาศอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะจันมันกาบอกว่าเขาไม่ไปอะไรแบบนั้นแล้วถ้าไปเนี่ยมันเสียเงินแล้วก็ไม่ได้บุญถ้าเขาจะไปเขาจะไปที่เดียวที่บ้านอําเภอเพื่อที่ตื่นเช้ามาเขาจะได้ใส่บาตรเขาบอกเขาถ้าแบบนั้นเขาได้บุญมากกว่าค่ะอืมดีครับโอเคนะครับ okay. เอาบุญดีกว่านะบุนเราติดตัวไปได้ความสนุกมันเชื่อไปเดี๋ยวเดียวหมดเลยแต่มันฟังกิดกลัมาหายไปหมดแล้วใช่ไหมใช่หมดค่ะแต่ถ้าไปทําบุญนี่ตอนนี้ท่านนึกถึงมันมันก็ยังอยู่ในใจเรานีกครับครับอ่เป็นไปยังทําบุญทําทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมฝาสนธนาทเนีนนนน่ได้บุญนะครับ อ็จะได้ความสุขใจอยู่กับใจไปนานๆครับดว่าทําถึงนู้นโชคดีมีแม่เนี่ยแม่รู้เลื่อนทํามาเป็นคนค่อยค่อยดึงมันครับยังพยายามต้องขอบคุณแม่แม่เป็นคนขอบคุณโอเคอันนี้ก่อนนะครับขอบขอขอบคุณทําครับ คุณศาสการจะมีมะม่วใหม่ก็เหรออาจารย์มันเป็นพันมะม่วแอปเปิลนะคะอ๋อว่าเห็นที่ไรก็บอกว่าอร่อยลูกกระเละส่งไปอ่าถึงก็ปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์แล้วก็อันที่สามอาจารย์ก็เอาไปปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เกากิะเละไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์เอ ต้องสอบต้องถามตัวเองซ้อมซ้อมไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทําใจได้ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเจะทำใจได้ไหมค่ะต้องนึกถึงข้อสอบเยอะๆค่ะเตรียม ข, ข้อสอบไหม ก, ก็แบบพอตั้งแต่ที่แบบมาฝึกก็คือก็แทนชีวิตไว้หมดแล้วค่ะอาจารย์เ อ, อเอิญแบบแก็ไม่ได้มีภาระอะไรเพราะว่าก็เหลือแค่พ่อดูแลพ่อแล้วก็แฟน แล้วก็ตัวลูกลูกกบแทนไปหมดเลยอืมครับเอาเรื่องที่ไม่ได้แพนด้วย้องมาอยู่ก่บคนที่เราไม่ชอบนี่อ๋ออันนั้นก็คือก็ ก, ก็ก็ได้แต่ทีเนี้ยเพอเอิญที่บอกพระอาจารย์ว่าแบบเหมือนที่เราเคยแบบที่คนที่เรารู้สึกไม่ดีแต่เราก็ให้ของเขาได้ตลอดทีนี้พระอาจารย์พระอาจารย์เคยจําที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเราให้ไปจน ไปเหมือนเราไปเพิ่มกิเลสให้เขาแต่ลูกแบบคิดแต่ว่าเอาความสบายใจลูกก็เลยแบบไม่ค่อยคิดอะไรน้องคิดเผื่อแม่เผื่อวันดีกืนดีก็ถูกเขาจับไปติดคุกขึ้นไหม <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีไม่ทำไม่รู้ได้ไหมไม่มีเวลาจะจับผิดคนก็นได้ใชะไหมใช่ไหม <c oughs> คิดเผื่อ ตอนนี้มันคนดังๆอยู่คอนโดบ้านรูลา้าเขาไมนอนคนแทนเลยใช่ครับอาจารย์แต่ก็แบบพยายามทำที่พระอาจารย์สอนนะคะให้มัด น, น้อยสันโดษก็เอาเข้าเราวันนี้อะค่ะแล้วก็อาก็ที่ฝึกมาจากที่ทำจากอาจารย์นะคะคือมันเก็บเงินได้เยอะมากแล้วก็เอาไปทากุญแอเพราะว่ามันมันไม่มันมัน มันลดค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยจ้ะได้ตอนกิเลสมันเอาเงินเราไปใช้หมืนกตอนนี้เราเดึงกลับมามาทำบุญให้กับตัวเราดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกๆเลยที่ฝึกตามที่พระอาจารย์สอนนะคะแล้วก็ตอนแรกแฟนเขาก็ก็ก็ ก, ก็ตอนช่วงนั้น แ, แฟนเขาถามว่าไปฝึกเราได้อะไรอะ่ะลูกอะไปเอาตัางค์ที่ลูกไม่ได้ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับสื้อของนะคะก็ตกใจเลยค่ะ คือทำทำได้ครับอาจารย์ก็ส่วนที่ที่ว่าไม่ได้ใช่ลูกก็เอาไปทาบุญหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์นะได้เอาเท่าที่แบบจําเป็นที่พระอาจารย์สอนนะคะระับปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์อโอเคทํตาต่อไปน ะ, ะเดี๋ยวขอข้ามไปที่เด็กก่อนนะมีสองคนทางตะวันหายหน้าไปไหนมาตวันเดี๋ยวจะรอนะ รารน์ครับไปไหนมาพระอาจารย์ามครับไปไหนมาลูกเออไฟวัดพานงคชงครับวัไหนะวัดพานง้์เชงครับวัดพานงค์เชีงอ๋องกำลังอยู่เมืองไทยใชมตอนนี้ค่ะเป็นบวชมาค่ะพระาอามบวย์บวค่ะบวชกับคุณพ่อค่ะแต่ว่าวันนี้คุณมาโก้ไม่ได้เข้ามาค่ะอุณพ่อเาบวช ด, ด, ด้วยนะแต่คู่ค่ะพระา <c oughs> อาจารย์แล้วอย แม่ก็เป็นโยมบาสิกามั้ยใช่ค่ะอยู่วันด้วยกันหมดอยู่ด้วยกันค่ะอืมีอยู่กหลวงปูเ่เสเนี่ยใช่ค่ะ<ม>คือตอนแรกคุณมาโก้ก็ไม่ได้มีแผนจะบวชเดนนะคะแต่ว่าหลวงปู่เสียรท่านถามก็เลยเสซตหลวงปู่เลยค่ะก็เลยจับบ<ม>วชด้วยกันไปเลยค่ะพระอาจารย์บวชได้กี่วันนะสามคืนค่ะพระอาจารย์สคืนนะค่ะ คืออยากติดต่อนะคะเห็นเขาบอกว่าอยากติดต่อแต่ว่าจําเป็นจะต้องสืบสองเห็นเขาพูดแบบนั้นนะคะอย่างน้อยก็ได้ได้ชิมเาืองไว้ได้ชิมมาแทงคาไม่ไ่วเป็นอย่ังไงก็ตอนแรกเห็นเขาบอกว่าตอนแรกคือไปบวชแบบกลับเมืองไทยนี่เพราะว่าเพราะว่าโยมกลับใช่ไหมคะเขาก็เลยกลับด้วยแต่เขาบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเขาจะไปเมืองไทยเนี่ยเพราะเขาอยากไปเองคืออยากจะไปบวชอะอยากจะไปสัมผัสอความสืบแบบนั้นอีกนะคะะอาจารย์ดีดีมาก อ่าคนเข้าวัดพาเข้าเข้ า, ข า, ขาหาธรรมะนี่คือเป็นบุญเป็นกุศลน ะ, ะวันนี้มีอะไรไหมตะวันไม่มีคำถามครับไม่มีคําถามแล้วจะกลับฮอลแลนด์เมื่อไหร่อ๋อตอนนี้ตัว น, นี้กลับมาแล้วค่ะเขากลับแล้วนะเอวเนี่ยแป๊บเดียวไปแป๊บแป๊เดียวค่ะประมาณสิบสิบวันยิ่นิบค่ะอ่าอ่าจริ แด่ไปเยี่ยมญาติด้วยนะได้ไปเยียยเเ่ยมคุณญาติด้วยคุณตายคยายไอ้อคุณตาไม่อยู่แล้วค่ะเหลือแต่คุณยา ย, ายค่ะแล้วก็ได้ได้ไปที่<อ>วัดหลายวัดที่อยู่ค่ะไปทําบุญกับพระละหันหลายนงองค์ค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะค่ะพิชาเนี่มีพระอริยเยอะแดนของพระอริยก็<ม>ไปได้ได้ไปใส่บาตกับหลวงปู่จารย์ด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถวายของนะด้วย น่าชื่นช <âm. S 2> pues. มยินดีอันนี้ไม่มีคำถามอะไเลยนะอ๋อเขามีเขามีมีนช่ไี่ว่าเพื่อนบอกว่าหนูเป็นหัวเข่อะ่เล่าหนูเล่าหนูเล่าหนูเลห้ฟังคะตรนี้ชอบอยู่ที่โรงเรียนเขาพิดผมเป็นัวไทยแตู่มไม่แต่ผมไม้เป็นไรจริงๆไม้เป็นไรชอบผมคิดว่าผมเป็นหวแปลไปอะไร ไ ป, ปไปไปใหม่อ๋อหมายความว่าเขาเ<ม>ขาเขาล้อค่ะโดนโดนเพื่อนล้อค่ะพะศานที่โรงเรียนที่ใช<ๆ>่ค่ะเพราะว่าคิ้วคิ้วโกนกับหัวโกนใช่ไหมค ะ, ะเพื่อนล้อแต่ว่ากระสุนที่เพื่อนปล่อยมานี่ทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหลบ อ, อั่นไม่โดนค่ะตากนิดนิดค่ ะ, ตะแต่ว่าไม่โดนหัวเรากาแฟชั้นใหม่แต่ชั้นร่ำยุบอ่ะเราเชยเฉยไปละห้ามคนเทานั้นเป็ได้นะ เออเราใจเราต้องเข้มแข็งเฉยเไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปตกใจกลัวนะโอเคอืมดีครับโอเคนะแล้วพระอาารพระอาจารย์อ่าตอนนี้อาการพระอานดีพี่รอใช่ไหมคะตอนแรกคือจ้ำร่นดับเลยค่ะโดนครานี้หนับหน่อยไข้หัดใหญ่ใ่เป็นมาหลายวันแต่มันก็ค่อยค่อย่นลงไปเรื่อย พระอาจารย์มีอาการเจ็บคอไหยคะอืมีเนี่ยวันนี้เพิ่งหายเนี่ยหายมาตอนเย็นเนี่ยยังเจ็บมันอยู่สองวันคือน้ําลายไม่ได้บางทีนอนมึงนอนยังนอนไม่ค่ได้น่นคอยคืนน้ำลายแต่ตอนนี้มันสบายขึ้นแล้วค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะทุกข์มากนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็คืออืมเนี่ยธรรมะฝึกใช้สติใช้ปัญญาใช้สติอุเบกขาไม่เฉย ปัญญาก็ยอมรับมันไปแล้วไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเหมือนพระเราเนเหมือนเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้หมอคนดูแลคนไข้ไปตามอาการได้จะหายนะจากว่าบางทีวันผ่านนี่จะเริ่มบอกวีรบาทได้นะแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องราดูอีกคนว่ายัง หรุ่งนี้ต้องไปเจอหมออีกรอบหนึ่งเพื่อนี่ไปเจอหมอฟันหม <c oughs> อฟันลอยจะต้องไปทําไอ้ขูดถิ่นปูนไม่ต้องฉีดยาชาเพราะมันต้องขุดด้วอะไรไม่รู้ว่ามันจะดีระบบหรือเปลยังไม่รู้แต่ก็ดีอย่างได้มีโอกาสพักผ่อนนะอันนี้ไม่ต้องทําเลยมีแต่กินนอนอย่างเดียว <c oughs> ยังรว ย, ยไม่ทําเลย <c oughs> พลังกายมันไม่ไหวก็ต้องให้มันพักตามตามเรื่องของมันไปบังคับเปนไม่ได้บางทีเราปฏิบัติทำเราอยากจะปฏิบัติอย่างต่อเนี้องแต่บางทีมันถึงเหตุการณ์ที่มันทําไม่ได้เราก็ต้องรอต้องวางไว้ชั่วคราวก่อนเราให้มันดีก่อนแล้วเราก็ทําต่ออย่าไปช่วงกับการที่ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อมันปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องปล่อยต้องรอให้มันอาการดีขึ้นก่อนโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหม ไม่มีอะไรก็ขอให้พระอาจารย์ั่นแข็งแรงนะคะแต่ขอได้ก็ดีมันคือความบังอันเล็กน้อยค่ะทุกงเป็นควาหวังนั้นดีก็ได้มันดีก็ไม่ได้ใช่จับจัับโอเคนี้จ้าเลยไม่แน่นอนับโอเคไปที่ญี่ปุ่นต่อตรงเกียวนักคุณนักคุณนักคุณ คสวัสดีค่ะพระอาจารย์กรกดาษไหกาบยังไงพระอาจารย์พระอาาย์หายวลนะคะโอ้ยขอบคุณมากข <laughs> ึ้่งกลับเข้ามาที่บ้านค่ะพระอาจารย์ยังไม่ถอดอาบนะำเปิดพระอาจารย์เลยกลัวไม่ทันค่ะก็เหนื่อก็เนี่ยต้องสี่ชนะ่วมงค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงหายไวๆนะคะก็ดีมากดีมาตามตามลำดับดีขึ้นเรื่อยๆ หนูพ่พูดจะทำทุกวันเยค่ะหนูจะทาเลยนะหนูทาอะไรน ะ, นะรนะพ่อพ่อจะไม่ได้ยินพุ่นใหม่หนูหน พ, พ่อพูดจะทำพระสง์ทุกวั น, นอ๋อกลาวพ่อพูดพ่อทำพระสงฆ์ทุกวันดี่ากหลัออนอนนะน<ต>ก่ อ, อ, อนนอนก็กลาพพูธพ่ทำพระสงฆ์ต้องกลาพอกล่แม่ ตื่นขึ้นมาก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่ะพ่อกรบแม่น ะ, ะ, ะอาจามองม่นะโอเคไหมครับอือขอ บ, บอพระอาจารย์พิธาครับแล้วหนูจะเป็นคนเก่งคนดีนะหนูมีคำตอบเยอะค่ะ <c oughs> คาตอบเยอะเลยคำตอบเยอะไม่ไ ม, ม, มีคถาคถามเลยหนูมีคำตอาเยอะอกคาถามเยอะเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าคะถามอาจารย์ไหม พออาจารย์มองพระอาจารย์จิลุพระอาจารย์คะจ้าจคะหนูจะถามอะไรถมอะอบคค่ะหมดยังหมดหมดแล้วนะคะหมดแล้วเดี๋ยวไปเข้านอนได้แล้วน่เด็กแล้วลเาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใช่ไหม ครูนี้ต้องเรียนใช่ไหมคะใช่ไปนอนได้เลยนี่ต้องไปโรงเรียนค่ะโอเคพราะฉอเพจอยู่ที่ไหนคะเพราเจอยู่ทีไหคะอาจารย์อยู่จอเดียวนี่ไงอยู่ที่ที่ในจอนี่ไงไอาจารย์บอกว่าไอาจารย์อยู่ในจอในในซูมยังไงคะได้นไมเวลาหนวอยู่ ให้พ hey, ระอาจารย์ถุงทองใช่ไหมคะโอเคอากาศพระจ่าปลุกไปนอนไปลาบพระเวลาหนูกลัวก็พูดโทพูดโท้พูทโท้ะแล้วความกลัวก็จะหายไปพูดโทพูดโทใช่ไหมโอเคครับขอพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคคุณแม่ไม่มีอะไรนะวันนี้ยังไม่มีค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอบพระคุณ กลับไปที่คิวเดินต่อคัณนันทพัฒน์จากอุบลไม่นี่ยหายหน้าไปหลายวันนะกล่าวนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข อ, อขอวันนี้พระอาจารย์แล้วก็กล่าวขอเข้ามาพระอาจารย์และถามคําถามเจ้าค่ะที่ผ่านมาช่วงสงการลูกเจออ่าธรรมะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทัดขันแปรปวนทําให้อารมณ์จิตใจแปรปวนต่อสู้มาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเซตเทอได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ mm. ทุกรูปแบบเจ้าค่ะพระอาจารย์ มันแปรปวนพอถ้าแขนแปรปวนมันไปสู่ฮอร์โมนที่ทําให้อารมณ์แปรปวนด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นแจวให้พ่อแม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันค่อนข้างจะต้องต่อสู้เยอะเหมือนกันเจ้าค่ะที่ผ่านมาจะไปข้อสอบข้อสอบที่ต้องทำค่ะก็คือค่ะทั้งร่างกายหลายโรคมากแล้วก็ต้องดูแลคุณพ่อแม่ด้วยก็เลยทําทุกอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์คือสติตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะแล้วก็ บางทีลูกก็พยายามนั่งสวดมนต์เป็นเล่มเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะลูกพูดโทสั้นๆแล้วไม่อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็สวดสวดมนต์ยาวๆเปิดหนังสืออย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยๆจัดเวลาการตื่นการปฏิบัติให้ให้มันเหมาะสมกับตัวเองท่านขันตัวเองแล้วก็การดูแลพ่อแม่ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับก็วันนี้ข่าจะกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะลูกไม่ค่อยมั่นใจคือ เรามีการวางไว้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในวันในวันใช่ไหมเจ้าขะพระอาจารย์แต่เมื่อกี้ได้คำตอบเบื้องต้นจากพระอาจารย์แล้วค่ะว่าถ้าวันไหนที่มันมีธุระจำเป็นอย่างเช่นต้องเดินทางหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องวางไว้ก่อนใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็เราพร้อมก็คือมาทำตามตารางได้นะเวลาที่เราทำได้ใช่ไหมเจ้าขะพระอาจารย์ก็ก็อย่างนั้นค่ะเจ้า่ะ เพราะว่าบางทีต้องขับรถอย่างเนี้เจ้าค่ะก็ต้องลดเวลากา ร, <ม> ก, ารการปฏิบัติลงไปให้ให้ตื่นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์<ม>ค่นอกจากว่าเรามาทำชดเชยได้ก็ดีอ๋อเจ้าค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าวันไหนที่ตอนกลางวันลูกลูกไม่ไม่มีงานเข้ามาแท้งอย่เงี้ยเจ้าค่ะก็พยายามพยายามอาจจะแบบเจริญสติสวดมนต์หรือว่าทําฟังธรรมหรืออะไรที่เป็นปฏิบัติได้เพื่อชดเชยด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ค่ะก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ, มเขาเรียกว่าอะไรจัดการกับตารางเวลาได้ได้ได้พอเหมาะพอสมบ้างแล้วเจ้าค่ะก็คือลูกจะนอนเร็วเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วตื่นประมาณตีสามตีสี่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพรอาจารย์มามาปฏิบัติตอนช่วงนั้นเจ้าค่ะตามที่กับเรียนพรอาจารย์ไว้แต่มันมันก็จะนอนเร็วขึ้นนิดนึงเจ้าค่ะะอาจารย์ค่ะก็ก็ปรับไปพอได้อยู่เจ้าค่ะค่ะ ตอนนี้เริ่มเห็นความปรพยชน์ของจิตแล้วเน่ยจิตเวลามันปรพยชน์เป็นยังไงโอโ้พระอาจารย์เจ้าขาะแบบมันคือร่างกายมันมันแปรปวนใช่ไหมเจ้าค่ะทั้งลูกอภรรษทั้งอฮอร์โมอนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมากระทบจิตใจบางอย่างที่เราเคยเอาอยู่มันไม่เอาอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์มันโอ้โหเห็นแล้วว่าตัวเอง ต้องพยายามฝึกให้พร้อมป่วยพร้อมตายให้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเห็นเลยค่ะว่าพอมันเกิดเกิดแบบเขาเรียกอะไรนะคะขันทามานกับกับสังขารมานใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันเอาเราแบบมันจะเอาเราให้ลงให้ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต่อสู้ทั้งดูแลท่าขันเพราะท่าขันดีอ่ะก็ปฏิบัติอ่านได้ตามตามความตั้งใจได้ระดับหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ส่วนส่วนบางอาทิตย์ไม่ได้เข้าก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ฟังข้างนอกหรือว่าก็จะปฏิบัติอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใบเจ้าค่ะแต่ก็ยังยังพยายามทําตามที่พระอาจารย์บอกคือสติก็ให้ให้ได้ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์แนะนําให้เวลาดูแลพ่อแม่ให้พยายามตัดตัวสังขารที่จะไปปรุงเขาต่ออะค่ะคือถ้าเรามีสติ ฝึกสติมาก่อนมันมันพอทําได้เจ้าค่ะอย่างเช่นหรือว่ามีน้องชายมาทําเป็นอารมณ์ที่เป็นท็อกซิกกับเราเอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็สามารถอยู่อยู่ในในวงของเราได้เจ้าค่ะว่าอาจารย์ไม่ไปไม่ไปปรุงตอกกับกับสิ่งที่เขาท็อกซิกมาอย่างนี้เจ้าค่ะเป็นเรื่องของเขาเขาจะดีจะช่วยเป็นเรื่องของเขาค่ะก็โจทย์โจทย์ที่ว่าอาจารย์ให้เป็นแจวนี่ ก็เป็นโจทย์ที่ยังอยู่ในใจลูกเจ้าค่ะก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆลูกว่ามันช่วยลดอัดตาได้มากเลยเจ้าค่ะอาจารย์คือเราเราจะมีความคิดเราแต่ถ้าเรามองว่าเรายอมแล้วก็เราเป็นแจ๋วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมันเหมือนมันลดลดการปรุงแต่งหรือว่าการไปต่อต้านในหลายอย่างได้เลยเจ้าค่ะใช่คำในใจเรานี่ยใช้ได้ค่ะก็ก่อน ก็ถือว่ายังยังพอไปได้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายามทําไปเรื่อยๆตามตามที่วางวางไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าปรับปรับเจอเหตุการณ์ที่ที่มันต้องจําเป็นไม่ได้ทําก็เหมือนที่ที่พระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะก็ก็วางไว้ก่อนแล้วก็ถ้าชดเชยได้ก็ชดเชยจะก็พยายามชดเชยเจ้าค่ะพค่ะวันนี้วันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะกล่าบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วกล่าบขอขมาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอเ เดี๋ยวขอข้ามไปที่เด็กก่อนนะครับนี่เด็กอยู่สองคนเดี๋ยวจะได้ไปนอนก่อนกรับนมัตรการผ้าจา์ครับกกรครับดีอะไรไหมมาสงการบ้านเหรอครับบ้ามาคนของเล้ยของนต้องต้องผมนอนฮึ่ม <c oughs> <c oughs> ผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพ่อในกระดูกม้ามหัวใจตามคัเผืดใจปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเพ่อในสมองสีส่า น้ำดีน้ำสเสลกน้ำเหลือกน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำมันค <pound> ้นน้ำตาน้ำ <pinpoint> มันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาลน้ำมูก น้ำมันค้นน้ำอ่าถูกแล้วน้ำเงือน้ำเลือ่อน้ำเหลือ่น้ำทะน้ำดีเยื่อในสมองสีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ไข่ร้อยไส่ใหญ่ปอดไตทางผืดตับม้ามหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูก เอ็นเลื้อนนำฟันและกขุ่นผมไปดูภาพมันบ้างนะ <c oughs> ไปดูภาพร่นนาการเหล่านี้บ้างมใช่ไหมครับอ่าไปดูคอนโดไหมตั้งแต่หัวถึงถึงเท้าไปหรือหัวใจปอด อ, อยู่ในร่างกายเรา น, นี่ของสวยๆ ง, งาๆ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> สวยไหมพยายามดูบ่อยๆคิดบ่อยๆนะ น, นี่คือร่างกายของเราแต่ไม่ใช่โัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นเครื่องผู้มาใช้ร่างกายเราเป็นเราเป็นนายของร่างกายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี้่ของเราร่างกายเป็นลูกคนใช้เราเราเป็นเจ้านายของร่างกาย แต่วันหนึ่งคนใช้แล้วก็จะลาออกเลยจะบอกเขาทำไม่ไหวแล้วก็ขอบายๆแล้วต้องให้เข้าไปเอาใจนะค่ะค่ะโอเคพอมีอะไรบ้ครับอ่ามี ม, มีมีครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับถ้าในกรณี สติเนี่ยเรากําลังไม่พอครับบางทีมันก็ยังสู้กิเลสสู้ความอยากไม่ไหวครับใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเรายังไม่เกิดจากอาเรายังไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาครับมันโอโหกิเลสหรือว่าความอยากนี่มันยังแบบบางทีมันสู้ไม่ไหวครับอาจารย์เราใช้า่วดมนตไปบริกรรมไปอย่าเพิ่งเพิ่มครับสวดมนไปทีพิโก็ได้ พุทธังศานานกชามิธรรมังสานานกชามิอะไรไปก็ได้แต่อยากอยากเพิ่งเลิอกอย่ากเพิ่งอยู่ถ้ากำเนิดถ้ายังอยู่ในท่านัง่งยังยังนั่งสมาธิอยู่เราพยายามฝืนนั่งต่อไปบในการใช้คํำบริกรรมหรือส่วนอะไรไปครับอาจารย์แล้วมันจะทำให้เรามีสติมากขึ้นและอาจจะทํำให้ใจนิ่งได้ครับอาจารย์ครับ มีเท่านี้ครับพระอาจารย์โอเคเราทำดูเสร็จแล้วขอถ้าถามพระอาจารย์แข็งแรงนะครับญาติทุกท่านกลับมาที่คุณดิษยาเราที่ว่าอะไรแม่เป็นไงมากไม่ได้เห็นหน้าหลายวันแนละ้วพิธีการค่ะพระอาจารย์คุณอาตอนนี้คุณยายเสียแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยไปงานศพคุณยายที่สระ บ, บุรีเดี๋ยวหนูตามไปวันวันศุกร์นี้ค่ะ ตอนนี้ไม่ได้อยู่วัดแล้วอค่ะใช่ค่ะแล้วก็<ม>เดี๋ยวกับเดี๋ยวหนูกับแม่พอหลังงานศพคุณยายเดี๋ยวหนูกับแม่ไปไปที่วัดชาพระอาจารย์จอง<ม>ขึ้นเขาไปแล้วค่ะ<ม>ค่ะถ<ม>ามขาไม่เที่ยงนะเสียใจไห ม, มท ม, มเรียกบอกว่าไม่นี่คุณยายจะเสียใจไหมคะเ <laughs> พราะว่า ก็มันความจริงมันเป็นยังไงมันเสียใจก็เสียใจไม่เสียใจก็ไม่เสียใจเลยไม่เสียใจค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคุณยายคือคุณยายอายุมากแล้วค่ะแล้วก็เหมือนรถที่เก่าแล้วค่ะหนูว่าคุณยายน่าจะเปลี่ยนรถคันใหม่จะสบายกว่าในความรู้สึกของหนูค่ะค่ะแต่ว่าอ๋อคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ถือสินแปร์แล้วค่ะแต่ว่าน้องๆที่เป็นผู้ชายคืออยากจะมากอดแบบ อารมณ์ว่าอยากจะอยากจะกอดพี่สาวอะค่ะพระอาจารย์คุณแม่เลยคิดว่าจะต้องลาศีนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าน้องน้ององะคะ่ะอยากจะกอดแต่ว่าเหมือนคถ้าถ้าช่วงครั้งช่วงเขาครั้งครั้งของครั้งก็พผ่อนผันไปอพอเรายังาจะเสียศีนไปให้มันปล่อยสุดต้องไปอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าเราเข้าสังคมนี้ศีนห้าก็พอหรือศีนเจ็ดแล้วแต่ ข้อไหนยังไม่สามารถรักษาได้ข้อก็ยกเว้นไปก่อนแต่ความจริงพูดตามความจริงการแตะเนื้อต้องตัวนี้ก็ยังไม่มันไม่ได้ผิดศีลข้อรามาจาริยามันต้องไปร่วมแพทย์กันมาแตงยะผิดศีลแต่ว่าเขาพยายามกั้นกันไว้ก่อนการไม่ให้น้ํามันกลับไปมันเข้าใกล้กันอะไรหญิงกับชายไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวจะทําให้ผิดศีลข้อสาได้ ใช่นี่ก็ยังถือว่ารักษาสีแปลกได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่สวยงามเท่าที่ควรเลยอ๋อค่ะอาจารย์ค่ ะ, คะตอนนี้หนูก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก่อนนะคะวอร์มวอร์มอัพค่ะโอเคอเดี๋ยวจะไปโรงงานที่สระบุรีเสร็จแล้วค่อยกลับมาอยู่บ้านอีกเลยใช่ค่ะไปจอง จองบนไปบนเขาอ่ะค่ะจองเรียบร้อยแล้วค่ะโ okay. อเคมีอะไรไหมวันนี้อืมไม่มีดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยยังคิดว่ายังไม่มีค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังใช้สติไปก่อนได้อยู่ค่ะอาจารย์ฝึกไปก่อนค่ะโอเคขอบคุไปที่ท่านต่อไปนะอาจารย์พวงพิรายเชิญครับกับมัสกรรารอาจารย์ค่ะ เป็นยังไงพระจันทร์มาศการพระจันทร์เราเป็นยังไงสบายดีทั้งคู่เนะนี่ยินดีที่พระจันทร์สุขภาพกายดีใช่ไอ่ากล้จะหายแล้วใกลาจะร้อยเปอรเซ็นต์แเห็นคุณหมอโปูก็แล้ ว, หวลให้ฟังอคุณหมอไปวันจันทร์โทรมาตอนเช้าไม่แน่ใจก็จเลยตัดสินใจไปอืม บอกได้แล้วก็โทรครับกลับมาบอกว่าได้เจอจา์แล้วอบอกเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาแล้วพอรับแจกว่าคุณได้ขนยัเป็นยั ง, ปยงไปชั้นที่สาราได้หลายไดแ้แต่ว่าว ม, มันม ไ, ไปบินตะบาดนี้ไม่ค่อยไหวที่เราได้ยังไม่มีมีไข้ไหมคะ ย, ยังมีอยู่แต่มันลดน้อยลงไปตามน วันนี้ก็หมดแล้ววันนี้ก็ทั้งไข้ทั้งเจ็บคออะไรนี่เริ่มหายหมดแล้วเสียงวันนี้ดีกว่าเสียงเมื่อวานเลยครัอดีขึ้นตามแล้วเมื่อคืนก็ญาติญาติิทธรรมต่างประเทศก็รีบรีบหามรีบจบกันนะคะ <c oughs> อยากให้พระอาจารย์ได้พคกผ่อนใช่ไวันนี้ก็ไม่รบกวนพระอาจารย์ะคะ่ะเพราะ<ๆ>ว่าเมื่ออาที่แล้วที่เราไปทั้งพ่อครัว ก, ก็ มีความสุขใจกับบ้านกันมาค่ะอือดิทำบุญแล้วมันจะยิใจสุขใจค่ะแล้วอยู่ได้นานกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วค่ะไปเที่ยวด้วยเป็นต้องไปเที่ยวอกนะีกอ่ะต้องไปเจอไปเจอเล ย, ยขอลาพี่สองกับด่างไปไปอะไรครับไปปลีกวิเวกในป่าต่างประเทศอนะไรเงี้ยอไปเดินในป่าต่างประเทศแทน ค, ค่ะค่ะนลกวว่าการค่ะถูะไปที่บอวินชนบุรีน้องอ้องค่ะนักาการค่ะอ า, าจารย์ค่ะมีอะไรัหมไม่มีคำถามค่ะอาจารย์สบายดีนะคะใช่ก็โอเคดีขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเประเซ็นต์เมื่อวานฝากยากับแม่ชีมาเมีย่ยงไปโอเคเอาถวายมาแนละ้ว ค่ะถูกนะพอดีอาทิตย์ก่อนหายไปติดโควิดแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะโอเ ค, คถูกไปที่คุณหมอทัศนาต่ อ, ตอนนำสำหรับมัสการจานะพระอาจารย์ค่ะ ก, ก็ดีใจนะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์มาดีขึ้นเยอะเลยะคะ่ะแต่ว่าที่พระอาจารย์ป่วยครา น, นี้ก็เห็นใจที่ตัวเองนะคะว่า คือมันแบบว่าจริงเมื่อใสมัยก่อนถ้าครูบาอาจารย์ผวจะรู้สึกแบบว่ามันจะใจมันจะไม่นิ่งไม่นิ่งเลยพระ อ, อาจารย์แล้วคราเนี้จะรู้สึกว่าอึนเป็นเป็นอย่ น, นี้จังอะค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ใช่ไม่นิ่งห่วงแต่ว่าก็รู้ว่าก็คือมันรู้สึกว่ามันกลับมาดูที่ใจว่าแล้วเราก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพระ อ, อาจารย์ค่ะอืมดีค่ะแล้วก็แล้ว ก, วก็ตอนนี้ก็ยังคงมันยังคงคือวันนี้พระอาจารย์เทพก็เข้าใจนะพระอาจารย์แล้วก็ยังคงคำสมมติได้ตลอดต่อเนื่อง แล้วก็อ่านของหลวงตามหาบัวค่ะเรื่องเรือนจั์เรือนใจสามชั้นนะคะเข้าใจเลยพระอาจารย์อ <c oughs> ปกติฟังฟังธรรมสุตจิมพ์พ้มาสามสี่รอบแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็มาอ่านรอบหนึ่งก็เข้าใจตรงนี้มากขึ้นเยอะเลยพระอาจารย์เรือนใจสามชั้นนะคะบอกก็บอกวันนี้พระอาจารย์เทพด้วย <c oughs> แล้วก็ฟังหลวงปู่สิงอยู่นะค ะ, ะอาจารย์ปู่สิงพุทธาโลม้วนที่อาจารย์ให้มาตอนปีใหม่ะค่ะโอ้หลวงปู่ถึงเทพดีมาตายทุกกันพระอาจารย์ ได้เลือกปกท่านก็ก็ทําให้ได้อุบายอะไรเพิ่มเติมอย่างเงีก็ทำตอนนี้นะคะพะอาจารย์โอเคทำตุดเตรียมทําการบ้านไว้เดี๋ยวมีข้อสอบมาจะได้รู้ว่าต่านไหนครับถาพระอาจารย์ได้ค่ ะ, คะไปที่ลักเซมเบิร์กคุณปุ้ยคุณปุยวั น, นี้ทํางานอยู่เหรอไม่ได้ทําแล้วค่ะกลับนมัสการเจ้ขขาค่ะมรอาจารย์ โยมปุ้ยโยมปุ้ยบอกอะพระอาจารย์แล้วโยมปุ้ยลาออกมาแล้วเพราะว่าจะมาถือศีลพระอาจารย์เป็นยังไงมั่งค้าเสียงไม่สบายนะคะเดีขึ้นหลังจะหายแล้วโยมก็เมื่อครั้งที่แล้วก็ลืมวันลืมเข้ามาแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็นั่งฟังอยู่รอบนอกคะออ่ะโยมก็ยังปฏิบัติถือศีลแปด แต่บางวันเ อ, อต้องขอขมาเพราะว่าต้องออกไปทําธุระอย่างวันนี้เราออกไปทําธุระเราก็ต้องแบบว่ามีการแต่งตัว<ใ>น้อยจะขอขมาค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทําผิดศีลอะไรค่ะนะฮเพราะเราต้องออกไปทําเอกสงเอกสารทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข อ, ขอขมาค่ะนะฮะโยมก็สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะค่ะค่ะยังทาเรื่อยไม่หยุดต่อค่ะ ไม่ท้อด้วยเน่อถึงแบบมันบางทีมันอาจจะมีปัญหานิดนหน่อยๆน่อยแต่เราก็ไม่ได้วาดท้อเพราะาคิดว่ามันคงจะไปได้สบายปีนี้ก็อยากจะถือศีลเขาขอแล้วว่าจะขอให้เป็นปีที่ได้สร้างบุญสร้างบารมีนะคะใช่ขอเดินทางทงช้ำทุกปีไปเลยจนจนก่อนฉันตายใช่ค่ะก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าโยมตอนแรกโยมกะว่า จะ ต, ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอแค่ซื้อสิแปดแค่เจ็ดวันที น, นี้เออเราทําได้นี่หว่าเราก็รังเกตตัวเรา เ, เราทําได้นี่หว่าโอ้แค่ข้าวเย็นแค่นี้โอ้ไม่หิวด้วยเราก็ทําได้ก็ทําต่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ยจนกระทั่งถึงวันเนี้ยถ้าถึงอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็นสองเดือนโยมก็เลยบอกว่าเออดีดีเหมือนกันฝึกเอาไว้เดี๋ยวพอเราเข้ า, าพรรษาพระเข้าพรรษ า, าตัวเราก็เข้าพรรษาไปด้วย แต่ว่าเราไม่มีพระก็คงจะไม่เป็นไรนะฮะก็พระในบ้านเราเนี่ยฮะอืค่ะก็เราโผล่หัวแล้วก็เป็นพระใช่อยากว่ายังมีกิเลสอยู่อ่ะว่าจึงมีอยู่เลรอแอบเชื่อหมดแล้วเชื่หมดแล้วยังต้องทำตรงมาสร้างบุญสร้างบาญรรมีอยู่ค่ะว่าแเราก็ต้องทําธุระนะฮะแบบมีลูกเราก็ต้องไปทําธุราให้ลูกเราบ้างอะไรเนี้ยค่ะพอดีลูกก็ มาสอบผ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยถือศีลด้วยสดมนให้ลูกด้วยลูกก็สอบผ่านก็ดีใจอ่ะเมื่อาาาอาทิตย์ที่แล้วก็กะว่าจะให้ลูกชายเข้ามาในในซูมเข้ามากลับพระ อ, <laughs> อาจารย์เขาก็กลับไปซะก่อนโอเคมีอะไรไหมคุณปุ้ยขอน้อมจิตถวายบุญบรารมี ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้วโดยการถือศีลแปดจีลเจสวดมนต์ไหว้พระบ่อน้อมถวายแต่โอ้พระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะสาธุจารยขอมห้ม<า>ีความสุขความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์มีชาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะขอให้ราได้รวยสวยไม่สั่งมาไม่รุ้เลยสาธุ สาธุเจ้าค่ะโอเคไปที่เดลัสเท็กซัคุณสุภาดากลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะได้เห็นพระอาจารย์ก็ชื่นใจขอพระอาจารย์ท่าแข็งแกรงเจ้าค่ะเป็นน้องมให้ลูกเจ้าค่ะได้เห็นพระอาจารย์ลูกก็ชื่นใจปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอย่าดีจัง ถูกกล่าวปรวัติศาสตไปเที่ยวเองวุนิสากล่าวนวัสนการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็คือจะมาไล่ถามพระอาจารย์ว่าลูกก็สอบตกค่ะอาจารย์เพราะว่าคือเลนนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่า ปกติวันอาทิตย์นะคะะอาจารย์ลูกก็จะรอตอนที่พระอาจารย์ดูถ่ายทอดที่นี่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีถ่ายทอดรู้ว่ารู้สึกแบบเป็นกังวลเป็นทุกข์นิดนึงค่ะตกใจอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็มันก็เลยรู้สึกว่าเอเราเราสอบตกนะเนี่ย mm hmm. <laughs> คือที่นี่คือไม่มันไม่มีข่าวสารอะไรอะคะ่ะลูกก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ก็มีความกังวลอันนี้ถือว่าสอบตกไหมคะพระอาจารย์ถ้ากังวลก็ตกถ้าเฉยเฉย ไม่เฉยอ่ะลูกเป็นกังวลแล้วพอคือปกติอ่ะคือลูกจะเห็นพระอาจารย์ออกบิณฑบาตใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะถ่ายทอดพอไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตามข่าวสารที่ไหนอะค่ะ mm hmm. ลูกก็เลยมีความกังวลนิดนึงแล้วก็มันก็พอปกติลูกจะนั่งนั่งสมาธิตอนประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะมันรู้เลยว่ามันมีผลเกี่ยวเนื่องค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็แต่แต่ก็ผ่านไปก็พอหลังจาก ตอนที่ทํานั่งสมาธิก็พุโทโธเยอะๆเยอะๆคือมันก็เลยช่วยได้อะค่ะพระอาจารย์ก็นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ค่ะแต่ว่ามันเป็นไตรักอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะทุก อ, อย่างมันมีเหมือนไม่แน่นอนค่ะพออีกวันอีกวันหนึ่งมันจะมีการแบบในเฟซบุ๊กก็พูดถึงที่พระอาจารย์สอนนะคะก็เลยเ อ, อ่ได้ละเราสอบตกแล้วเนี่ยคือพระอาจารย์พระอาจารย์บอกแล้วว่ามัน สื่อพระอาจารย์ไม่มีไม่ไม่มีความทุกแต่ลูกแบบลูกศิษย์นี่แหละทําแบบมีจับความอยากให้ให้ให้พระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วพอดีลูกเซนสิที브เรื่องพวกนี้ด้วยอะค่ะเหมือนถึงเรื่องเกี่ยวกับการบแบบเจ็บไข้ได้ป่วยการพัดภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัแบบมานั่งคิดว่าเอ๊ะปกติอะลูกจะชอบคิดเรื่องนี้อะค่ะพระอาจารย์ แต่ว่ามันมีความรู้สึกบางวันอ่ะมันไม่ใช่บางวันมันก็โอเคเหมือนเหมือนเป็นปัญญาแต่บางวันมันเป็นสัญญาค่ะอาจารย์คือยังจะต้องคิดบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์จะได้ใช่ตรากะคิดแบบตรากาศเราเวลามันจะเกิดขึ้นเราห้ามมันไม่ได้ได้หรือเปล่าค่ะอาจารย์คือคือรูกเข้าใจอะค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันใช้เวลาที่จะ คิดได้อะค่ะอาจารย์ไดาาว่าอุเบกขาเรายังน้อยเขาเกิดอุเบก ข, ขาเยะมากค่ะอาจารย์ค่ะก็แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ่ะคือแค่แค่แค่แครึ่งวันแค่นั้นเนองค่ะพออีกวันหนึ่งก็ก็เข้าใจอ่ะค่ะแต่ว่ามันก็นั่งคิดว่าเอออันนี้เราแสดงว่าวอุเบกขาเราไม่มีเลยคื อ, ค, อคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นสัญญาเยอะกว่าปัญญาค่ะคือลูกจะเป็นจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์บางวันก็พอคิดถึงเรื่องความตายความเจ็บความพัดภาคอะไรเงี้ย ลูกก็จะเฉยๆแ ต, แต่แล้วเวลาพอไปนั่งสมาธิอ่ะวันนั้นอ่ะจะรู้สึกว่าแบบสงบเร็วแล้วก็จะข้ามวิทยาได้ดีมากแล้วแต่ถ้าวันไหนอ่ะถ้าลูกลูกตื่นขึ้นมาในวันนั้นอ่ะแล้วลูกสติไม่ค่อย ด, ดีหรือหมายถึงว่าคิดถึงเรื่องความพัดภ้าความอะไรเนี้ยแล้วใจมันหวือหวิวกลางใจมันกลัวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. วันนั้นอ่ะลูกจะรู้สึกเลยว่าการนั่งสมาธิของลูกอ่ะจะใช้เวลาความเข้าสู่ความสงบอ่ะ นานมากแล้วก็จะบางทีจะคือความฟุ้งซ่านจะเยอะลูกจะต้องแบบมาเปิดทำม้าพระอาจารย์มาฟังเสียงพระอาจารย์มาแบบท่องอิติปิโสอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราเราปัญญาเราไม่พอคือแบบมันไม่ใช่ปัญญาค่ะมันเป็นสัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์มันขาดความเด่นคะมันมีปัญญาทําไม่มีควาเด่นคะคือลูกก็ต้องเพียนนั่งนั่งให้เยอะๆให้จิตมันนื่งให้มันเฉยนั้นเาน ค่ะค่ะถึงแม้ว่าจิตมันเหมือนแบบมันมันพอมันนิ่งลุกูกไม่ทราบว่ามันนิ่งนานแค่ไหนแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะลุกใช่ไหมคะเพราะคุณจะนั่งต่อไปนั่งต่อไปนนาเทรื่อย้ให้นานที่สุดค่ะคือคือบางทีมันเหมือนสติมันคือคือมันมันออกจากสมาธิแล้วอแต่ว่าลูกก็รู้ก็รู้ว่าออกแต่ลูกไม่ลุกลูกพยายามหลิบหลับตาแล้วก็นั่งต่อไปอะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนเริ่มใหม่เรื่อยๆดึงสติกลับมาหม่ค่ะเป็นเหมือนเป็นไซเคิลเริ่มใหม่เรื่อยๆ ในขณะที่เรานั่งสมมุติว่าเรานั่งประมาณสองชั่วโมงอย่าเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าในสองชั่วโมงที่เรานั่งเนี่ยเราอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่เราก็ไม่ควรจะลุกใช่ไหมคะก็กกคือห ล, ลับตา<ถ>ไปหลับตาไปเรื่อยๆทาได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์ปฏิบัติบูชาทุกวันคะ่ะพระอาจารย์อทาต่อไปอสาธุขอให้พระอาจารย์ค่าขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะ<ป> แต่ที่กคุณหมอแอนดาภาจารย์เจ้าค่ะเอ้ยไม่ใช่คุณหมอเน่ไม่ใช่ อ, ช อ, อ่ะครคุณแอนเดี๋ยวราออกไปก่อนนะนไหออกยังไง <c ười> ใช่ก <c ười> คุณหมอแอนนะฮะเหมอแอนครับอาจารย์ ให้อารมาลอมาหมอหมอหมออาจารย่ไครับไม่ใช่เสี๋ยวไม่ใช่หรือใช่ตอนตอนนี้คือคุณหมอแอนเปิดเปิดเปิดเสียงแล้วครับคุณอาจารย์ใช้โปนแอนนะฮะใช่ใช่ไหมกับกับพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่าใช่หนูหมอแอนอ่า okay. มีคําถามกับเหรียญพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเห็น เ, เห็นเห็นในมีของหนูเป็นผม ผมงอกเจ้าค่ะพระอาจารย์อมไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเนี่ยภาพมันก็ติดตาตลอดค่ะมันมันหลับตาปุ๊บ ม, มันก็เห็นผมงอกลืมตามุ๊บก็เห็นเห็นตลอดเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งที่เราคิดได้เจ้าค่ะคราวนี้ก็เลยเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูเพราะว่าหนูจะจับดิมิตผมอะ่ะเป็นสมถะไปเลยได้ไหมเจ้าค่ะก็ต้องไม่ให้มันเปลี่ยน ท่ญญานจะให้มันเป็นสมถะต้องมันเป็นอย่างดียวค่ะเป็นผมหงอกอย่างเดียวแล้วมันภาพอยู่เหมือนเราเพ่งเลยเจ้าค่ะเพง่ง เ, เพง่เพงไปเรื<ๆ>่อยๆถ้าเพ่งแล้วใจจิตเร่งได้ก็ใชได้แต่อย่าไปอย่าไปเล่นสีเปลี่ยนเป็นสีนั้นเปลี่ยนเป็นสีนี้อะ่รเงี้ยมันเป็นสันเป็นการปรุงแต่งไปะเจ้าค่ะก็ไม่เปลี่ยนเจ้าค่ะเห็นเป็นผมหงอกเลยแล้วก็บางทีก็ควบคู่กับลมหายใจไปด้วยค่ะ อย่างนี้ก็คือสมถะอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะพูดยอาวอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้ายาผมก็ผมอย่างเดียวอเอาลมก็ลมอย่างเดียวค่ะถ้าถ้าเราเห็นนี้ไม่เป็นผมอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะเพ่งเพ่งผมไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องไม่ต้องพูดโชไม่ต้องดูลมก็ได้ใช่ ไ, <ด>ไหมได้ค<ะ>่อยมีอะไรเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้อ๋อเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิด พอพอสมถะเสร็จเราจะเปลี่ยนมาเป็นวิปัสสนานึกก็คือว่าพิจารณาผมเจ้าค่ะก็ต้องรอให้เราจากสมาธิก่อนอยากอยากทำตอนที่ทำสมาธิเจ้าค่ะก็คือรอจากสมาธิเช่นตอนนี้ก็คิดอยู่เรื่อต่อไปผมเราก็ต้องรอเจ้าค่ะก็คือว่าเราเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องไล่ไลส่สีไ ล, ล่รูปร่างผมใช่ไหมเจ้าค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมา จนจนผมหมองอกจนแก่อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเวลา ไ, ลไม่ได้ <จะ S 2> <ง>ก็ไปจนตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ได้แล้วคะ่ะแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาจนจนให้เห็นการเกิดดับของผมใช่ไหมเจ้าคะเป็นอ น, นิจจังอ้ๆๆาวก็ก็เห็นตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวก็ถึงวันที่มันตายแล้วอ น, นิจจังมันเน่ยเวลาเราตัดผมมันก็อนิจจังไปส่วนหนึ่งนะอ๋อไม่ต้องหงอกค่าตัดทำไมคะ คือให้เราพิจารณาว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับผมมันได้ผมมันมัมีท่องทางของมันมันมันก็เกิดมันก็ย่อของมันอยู่เรื่อยๆแล้วเวลามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีขาวมันกเปลี่นของมันไปแเราก็ห้ามมันไม่ได้ให้เห็นว่าเป็นของที่เราเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ก็คือเราสามารถพิจารณารวมไปได้เลยให้เป็นไตลักได้เลยใช่ไหมครับให้เป็นไตลักนั่นแหละเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกกับมันอ๋อหรือว่าพิจารณาให้เห็นถึงความไม่สวยไม่งามของผมมีขี้ใครมีอะไรได้เลยใช่ไหมเจ้าคะได้เท่านั้นแหะอันนี้ก็ได้อ๋อไม่คือไม่ต้องว่าให้ว่าไป แล้วค่ะหมายความว่าก็พิจารณากลับไปกับมาซ้ําๆใช่ไหมคะได้ให้เราปล่อยวางผมไม่ได้ซึ่งเราสามารถที่จะต้องทำหลายๆรอบกว่าจิตที่จะเปลี่ยนใช่ไหมเจ้าค่ะจนกว่าเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับผมมือไม่ต้องไปทําผมไม่ต้องไปยอมผมไม่ต้องไปอะไรเพียงแต่เพียงแต่ขออะไรเพียง <c oughs> <c oughs> แต่ว่า ทำกวามสะาดนแล้วก็ตัดมันเวลาบันยาวไนแต่ไม่ต้องไปเสริมความราวทวาผมอะไรยังเจ้าค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราก็ทำสลับกันแล้วก็โฟกัสที่ผมเป็นหลักเลยใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อเพราะว่า <c oughs> ถ้าเรามีปัญหากับผมเราก็พิจารณาหยุดผมเราจะไม่มีปัญหากับมันอีกอืมเจ้าค่ะหลวงพออ่อเพราะแติดคอ มากไปก็ก็เข้าใจแล้วเจ้าค <laughs> ่ะแต่แตมันก็เป็นเพียงอาการหนึ่มันไม่มทุกษาที่อสองอาการเนี่ยค่ะแล้วเราพิจารณาให้มันครอบครุสว่วนค่ะเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะแต่นี่มันขึ้นมาขึ้นมาเด่นก็เลยพิจารณาจับจับผมไปเลยเจ้าค่ะดีมาไป ต่อไปก็ดูที่ไฟเบอร์ไปนะไฟันอร์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องเหรอเออเดี๋ยวมันก็ต้องถอนต้องปลูกต้องพันไปเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวก็จะได้ไหมอ๋อเจ้าค่ะตาก็วเหมือนตามันก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอแต่ว่านีมิสที่ที่มันจะเด่นได้จะเป็นน่าจะเป็นผมเจ้าค่ะที่ ที่มันชอบให้เรารู้สึกว่าเราห่วงมันอะไรเนี้ยเจ้าค่ะถ้าเราใช้นิเวศผมทาให้เราเข้าชานได้ก็ดีเจ้าค่ะเดี๋ยวลองทำดูเจ้าค่ะผมให้เฉดวนให้เฉดรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิสักวตะวรูปเรือแต่ความว่างผมมาหายไปแล้วนะเฉดลนเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวจะลอง ทำดูเจ้าค่ะห mm hmm. กล่าวขอบพระคุณหลวงพ่นพอนะเจ้าค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> มีใครอนะีกไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ก็เลยเองที่เชียมรายครน้องการมัสการพระอาจารย์ครับเออวันนี้เข้ามารับฟังครับอ า, าจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอ า, าจารย์ครับปฏิบัติบุญชาครับผมไปได้เรื่อยๆนะ ครับผมตรงนี้ก็ค้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เวทนาเข้าไม่ถึงครับพระอาจารย์มันสงบครับอาจารย์ยังไม่ยุ่งยังไม่ได้เจอข้อสอบอะไรนะครับผมยังไม่ได้เจอครับแต่ก็ฝึกอยู่ครับพระอาจารย์ก็ซ่อมซ้อมลบอยู่เรื่อยๆซ้ําซ่อาลบอยู่เรื่อยๆการฝึกัจจมาทางบอกทางอากาศทางน้ําไดุ้มครับผมครับผมครับ วันนี้ก็มาร่วมรับฟังครับรอาจารย์ครับขอาวารอาจารย์แข็งแรงครับผมาธุสาูุครับไปที่อกุนแนนจดนมรัสกาค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะที่ใต้วันคคันชิตจนมัสกาลรับพระอาจารย์มีอะไรไหย ไม่มีครับมาในเข้ามากราบพระอาจารย์ครับมใม่ขอบุญกุศลที่กระผมทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอให้พระอาจารย์มีธาตุคันแข็งแรงครับเป็นสาธุจรารยตุ๊กครับคุณวิไลไม่ทราบไม่เปิดกล้องไม่ไม่ทำการพูดใช่ไหมก็ปิดกล้อง อังยังก็ไปต่อไปที่คุณสุวรรณบวชวินกาลมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้กากรกาศพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามนิดเดียวเ อ, อคือตอนนี้โยมพยายามจะนั่งสมาธิเพิ่มเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เวลามาตั่งแล้วเนี่ยมันมันจะตอนตอนที่นั่งเนี่ยเราก็ตั้งตัวตรงนะคะเพราะว่า จะเป็นคนที่นั่งตรงเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราหายใจเดีย่ยมันจะหายใจโล่งแต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมันเงียบไปเลยค่ะพระอาจารย์พอเราพอมามีสติอีกทีนึงเนี่ยมันจะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงบ้างสี่สิบนาทีบ้างเนี่ยอันเนี้ยไอ้ช่วงที่มันเงียบไปเนี่ยยอมเข้าใจว่ามันหลับมันมันเป็นการหลับใช่ไหมจ้พาพระอาจารย์ถูกต้องถ้ามันถ้ามันสงบมันจะรู้สึกตัวตลนอดเวลนะ เจ้าค่ะเพราะว่าสังเกตดูแล้วมันไม่มีมันไม่ได้ยินเสียงอะไรอันนี้โยมก็พยายามจะแก้ไขตรงนี้เจ้าค่ะคะอาจารย์จะเพิ่มเพิ่มสติมากมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาเยี่ยมอาจารย์ทางทูงลด้วยเจ้าค่ะสาธุอาจารย์พระอาจารย์าหายไปไหมเจ้าค่ะแต่ที่คุณหญิงโยมหญิงอุทมวจนสายสองกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ ค่ะก็เหมือนรายงานพระอาจารย์ค่ะก็เหมือนอาจารย์อาจารย์พรมวิไลค่ะเวลาไปกราบพระอาจารย์แล้วเวลาขากลับบ้านขับรถนี่มันสุขใจมากๆเลยค่ะพระอาจารย์กลับบ้านด้วยความสุขสุขแบบเหมือนก็ได้ชาร์จพลังความสุขเลยค่ะพระอาจารย์ยิ่งได้พาพ่อแม่มาทําบุญใจยินดีใช่ไใช่ค่ะพอาจารย์แล้วพาเพื่อนๆไปกราบพระอาจารย์ด้วยค่ะเพื่อนๆทึ่งพระจารย์ขอรบพระอาจารย์ทุกคนเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ เอ่อขอให้พระอาจารย์แทบขันแข็งแรงแล้วก็หายสูดภาพแข็งแรงไวๆนะเจ้าคะใชถูกใจค่ะพระอาจารย์ทุกวันเอ่อโย ม, มค่ะเวลาโยมจะหลับใช่ไหมคะโยมก็จะหลับไปพร้อมกับการการดูลมคือนอนแล้วลมเอ่อโยมหญิงก็จะมีสติกับการดูลมอะค่ะการเข้าออกแล้วพอเราดูลมจนเราหลับไปใช่ไหมคะมจะเป็นอย่างนี้ประมาณสักสองสาครั้งค่ะพระอาจารย์เราจะตื่นมากลางดึกด้วยด้วยอาการที่เรารู้สึกตัวกับลมหายใจที่เราแรงมามาปะทะ แบบมันเราเราจะตื่นด้วยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้ลมหายใจพระอาจารยลมแรงลมเบาบางทีเราก็ตื่นมาด้วยกันรู้สึกว่าลมน่ยมันม า, ม, น ม, ามันมาแบบแรงตรงตรงตร ง, งปลายตรงไปลายตรงปลายปากเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเรารับรู้ลมหายใจเหมือนกับว่าอย่างนี้แสดงว่าเวลาเราหลับไปแต่แล้เราตื่นมาพร้อมกันเรารู้ลมนี่คือยังไงคะพระอาจารย์คือเราก็ยังมีสมาธิอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะคือเราเรียสติกลับมาได้เร็วขึ้นอ๋อตื่นมากลางดึกอะเจ้าค่ะอืม อย่างนี้โยมก็ทําปฏิบัติเนี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แต่ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเรื่องเรื่องนอนเรื่องหลับเรื่อตื่นนี่ค่ะไม่สนใจเรื่องบางสบเราไม่สงบจังอ๋อเจ้าค่ะคือดูลมแล้วก็จะหลับไปเลยค่ะเหมือนก็ดูลมแล้วเราก็ทิ้งทิ้งคือปล่อยวางร่างกายค่ะพระอาจารย์เออันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติเหมือนกันอการนอนอ๋อเหมือนกับเราหลับไปเฉยๆก็แล้วครับหลับไปเฉย อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าใช้ใช้การดูลมเป็นการกล่อมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นยังมี้มันจะได้หลับได้อ๋อเจ้าค่ะแล้วที่เราตื่นเราก็ตื่นเองตื่นการแต่แล้วมันมันก็มันก็ติดมันติดมันไดสายมามันก็มันก็เริ่มขับมาดูลมทันทีเวลาเราตื่นอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะจยมก็ปฏิบัติอยู่ค่ะ แล้วก็ในระหว่างวันก็จะเจริญสติตลอดค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นการนอนเป็นการตื่นเป็นการนอนเนี่อ๋อโยมศสตร์นหลงดีใจคะนึว่าอ๋อเราแสดงว่าเรามีสติขอาไม่ใช่ถ้ามีถ้ามีสติก็ต้องลุกขึ้นมานั่งต่อไม่ใช่ค่ะหลับต่อจะค่ะมันหลับต่อก็ไม่ใช่ค่ะเพราะยังยังไม่ถึงตอนตีสี่โยมจะตื่นมาประมาณตีสี่แล้วก็จะลุกมาปฏิบัติอค่ะ ถ้ามันเตะมาตอนไหนครับปฏิบัต <P ie Tyson> yes. hey, ิไปโยงการไม่ได้แล้วค่อยกลับไปนอนใหม่ต่ออ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์เดยโยงจะทําต่อเจ้าค่ะค่ะกลับพระกลับพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แข็งนะคะไขว่ไหวเร็วเจ้าค่ะสาธุค่พระอาจารย์ไหนที่คุณจะน่าจะตอนนี้อยู่บนเขาเลยสธรรมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ อยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้กลับละค่ะพระอาจารย์คุณงี้ไม่สายบนะ่ายเลยแล้วไม่สายขอเราไม่ได้ไปไม่ไดือดร้อนี้ <c oughs> <c oughs> ได้ข่าบอกว่าพระอาจ า, ารย์ไว้เดินนะคะก็เลย <c oughs> คงไม่ได้ไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะเ อ, อรอบนี้ตอนมามาวันแรกอะคะ่ะแล้วก็นอนภาวนาค่ะพระอาจารย์จะมีแบบเหมือนตัวมันลอยขึ้นบนเพดานอันนี้เรียกว่าอุปจาระหรือเปล่าคะพระอาจารย์ ไม่ไม่หลอกมันมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้รอยหรอกมันเพียงแต่เราจิตมันพรุงแต่งไปมันสร้างความรู้สึกออกมันลอยขึ้นมาหรับไปค่ะค่ะตัไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปค่ะแต่ลูกลูกบอกว่าไม่มันไม่จริงคือมีสติอยู่อะค่ะพระอาจารย์ลูกบอกว่าไม่จริงแล้วลูกก็พุทโธพุทโธไม่อย่างกจะรู้ว่าลอยหรือเปล่าก็ลืมตาขึ้นมาดูเลยคือไม่ได้ลอยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอพุทโธพุทโธเขาก็ ทำถ้าจะเหี่ยงลงลงลงข้างล่างทีนี้พอพอพอลูกก็พูดโทรต่อมันก็ค่อยๆไม่เหี่ยงแล้วมันค่อยๆลงมาที่ที่ที่ตัวค่ะก็เลยก็เลยรู้ว่าตัวไม่ได้ลอยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนอันถ้าถ้าอาการอาการตรงใจเขาเจ็บมันตรงค่ะค่ะมันจะเป็น ช่วงช่วงที่แบบเชื่อมต่อระหว่างการหลับกับการตื่นนะคะพาจารย์มันจะเกิดช่วงเวลานั้นนะค่ะเอ่ออยู่เสมอะค่ะพาจารย์อันนี้ลูกบอกไม่จริงแล้วลูกก็ภ า, าวนาพุโทโธพุธโธแล้วก็กลับมาที่เดิมอันนี้ก็คือไอ้ลูกมันเป็นยังไงลูกมันเกิดแล้วดับฟ้องมไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันเป็นอะไรเลยอ๋อ ค, ค่ะค่ะค่ะพาจารย์ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะพาจารย์ เราจะมีมีวันนี้ที่ที่รู้สึกว่าดีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ก็วันนี้เพ่งภาวนาเยอะหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ารอบนี้แย่ตรงที่ว่านอนเยอะไปนิดนึงค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเออวันนี้เนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็รู้สึกโงโหค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบแล้วเราก็เอาเอามานั่งพิจารณาค่ะพระอาจารย์ว่าเอเนี่ยคือ เอามาพิจารณาที่สุดเราก็เลยไ ด, ได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเพราะกิเลสกิเลสกิเลสทั้งนั้นเลยค่ะพระจางกิเลสของเราอ่ะค่ะว่าแบบเราคาดหวังไงเราอยากจริงๆแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดั่งใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มันก็เลยเป็นอย่างนั้นทําให้ลูกตรหนักเข้าใจไปในว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่เอามาพิจารณาในสิ่งที่เราเจอเจออะค่ะ อ่าเราก็จะพอเจออีกเราก็จะไม่ทันมันอยู่ยังไงนะเราจะไม่เข้าใจอยู่ยังไงนะคะพอพอเผลอๆเจอเราก็จะเป็นอีกรูกก็เลยคิดว่าการที่ได้เจออะไรแบบเนี้ยที่มันขัดใจเราอ่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะคะ่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบเราได้ขัดเรากิเลส ข, ของเราด้วยะคะ่ะพระอาจารย์ได้พิจารณาเพื่อปล่อยมาไม่ใช่พิจารนามันเป็นตายักท่านจะพิจารณาพิจารณาเป็นตายรักนะปลกอป่อยว่าง พิจารณาให้เป็นตายรักปล่อยวางนะคะพระอาจารย์อย่าไปพิจารณาวันเป็นอะไรเกิดมาจากไห น, นจะไปไหนต่อไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาการพิจาราดูว่ามันเที่ยงหรืไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับหรือเปล่าออมันเป็นสิ่งที่เราสั่งมันได้หรือห้ามมันได้หนระือป่าค่ะพรนะอาจารย์แล้วเป็นใจรักแล้วใจก็ปล่อยวางได้ไม่ต้ยุ่งกัมันมันจะมานะ ม, มันจะไปก็ไป มันจะอยู่ก็อยู่ค่ะพระอาจารย์เข้าใจค่ะพระอาจารย์คือเห็นตัวเองเห็นเห็นให้เห็นตัวเองนะค่ะพระอาจารย์ใช่ไหยคะคืเห็นว่าเราเราเราเรามาพูดโทรต่อไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่ที่ปรากฏขึ้นมาค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะอ่าที่นี่ก่อนนะ ค่ะค่ะสาธค่พระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะลูกขอน้อมถวายบุญกุศลของลูกที่ปฏิบัติมานะคะทั้งทานสิ่งภาวนาความตั้งใจที่ดีแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ดีทุกอย่างลูกขอถวายเป็นเอ่อเป็นกุศลแบบท่านพระอาจารย์นะคะไม่เก็บไว้ใช้มั่งเหรอหมด เดี๋ยวเรารวยมันดีย์เดี๋ยวเราเราก็ไม่ต้องปฏิบัติเสียนั่งเฉยๆเราให้กุศลมาบุญกุศลให้มาอยากอยากอยากให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงไปนานๆค่ะพระอาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นกิเลสท่านเนี่ยอยากอยากค่ะด้วยความเคารพรักค่ะพระอาจารย์ขออน้อมทนาค่ะคุณทิพวรวณมีจากกรยาหอมยม ข อ, อความเมตตาจักพราจะหลงวงพ่ออธิบายมังคละสุตรค่ะก็มงคลเนี่ยมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดอาการใ น, นการวิธีออดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วตั้งแต่ไม่พบไม่ครบคนพานครบคนฉลาดรูชาบุคคลที่สมควรแก่การรูชาอยีออ่ยมมอรูออ้จากคำนีออ้ค่ะแล้วครู่นี้ ว่าจะลงพ่อเอ่ยคําว่าสกัดกับคุณที่อยู่เอ่ะคะ่ะคืออะไรคะสกัดค่ะแปลว่าไม่่ว่าอะไรือสกัดนี่เลยเมือนเขาถามว่าคนที่อยู่เอ่ะคะ่ะจะ<ต>ลงข้อกัดน้ำว่ า, า, วาให้ให้คิดเหมือนเหมือนสกัดใช่สกัดสกัดทีนอ๋อสกัด oh, เออ ตาวรอเลยรอเลยอกะเหตุผลค่ะนั่ค <ฮะ S 1> ือด้วยเหตุผลค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์หลวงพ่อเอ่ยว่าหลายคนให้พรพระอาจารย์ทำไมไม่เอาไว้ใช้เองบ้างออพอออาจารย์รวยแล้วอันนั้นคืออีกความหมายของธรรมะที่ถ้ารวยแล้วก็ ไม่ใช่ดอกมันให้กันไม่ได้ถ้าให้กันได้ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรให้ญาติให้ลูกสิษย์ทําให้เราของไกาของมันทําให้กันไม่ได้หรอกนี่เป็นเพเกียวกับความปรารถนาดีใช่ไหมบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันไม่มีใครทาแทนกันได้ให้กันได้ยอมเข้าใจว่าพระอาจารย์รวยแล้วพ ว, วกเรายัง ไรู้อะเราก็ยังต้องทของเราอยู่เนี่ยอโยก็ต้องทำมืองโยมโยมจะมาให้เราไม่ให้ไม่ได้แต่ที่ให้ให้มาเราก็รับรับไว้เป็นธรรมเนียมพ่านเงแต่มันไม่ได้เป็นความเป็นจริงตรงไหนบุญมันส่ายสื่อให้กันไม่ได้เนไ่เหมือนเงินเนี่ยเงินเนี่ยโอนมาได้แต่บุญบุญส่วนโอนไม่ได้ นอกจากว่าจะแบกให้คนตายได้นิดนิดได้นิดหน่อยนะถ้าคนตายมีมีช่องแบบให้คนตายได้นิดหน่อแต่คนเป็นนี่โอนให้กันไม่ได้พอจะหาเสถียรแล้วใช่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ขอบคุณที่อนแล้วกันเข้าใจค่ะขอบขอบขอบคุณมากค่ะ ไอ้ที่คุณทวิษฐ์อยากสวิตเซอร์แดหายไปานเนียเป็นเดือนเลยนี่เป็นยังไงเรียบร้อยดีกล่าวหน้าไหมกลับขอบคุณค่ะก า, ก, การวัฒนการค่ะอาจา์มไม่ก้าวหน้าค่ะอยู่ที่เดิมค่ะพระจา <c oughs> ได้กลับมาเ <c oughs> ง <c oughs> ไทยหรืปล่ายังไม่ได้กลับมาตั้งแต่คราวที่แล้ว กลับมาข่าวพระจานทร์ออแล้วห้ากลับมาแล้วเ อ, อวันอาทิตย์นะคะพระอาจารย์โยมโยมได้ข้อสอบค่ะพระอาจารย์จัดว่าอาจารย์นี่เลยค่ะค่ะโยมโยม ต, ตั้งใจใครๆว่าจะไปเซาภัยเออไปเซายเลยไม่ได้เซาภัยเราเซายก่อนไงโยมโยมรอใส่บาตรพระจานทร์ที่ที่หน้าลานปีชา สามีโยมก็เดินมาโยมก็มองเอารถมาเอ๊ะทำไมไม่เห็นพระอาจารย์ล mm hmm. ้เอ๊ะโยมก็คือใจโยมก็แป้าไป น, นิดนึงค่ะพระอาจารย์คือแป้วพอเดินขมือ ใ, ใกล้มีมีรู้สึกย์พระอาจารย์ค่ะท่านท่านก็เลยถามเอา้าพระอาจารย์ไปไหนลูกศิษย์คนหนึ่งที่ตัวสูงๆค่ะท่านเลยบอกว่าอ่าพระอาจารย์อาภาษโยมก็ติ้วเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็อุย้ยโยมก็แบบรู้สึก แต่ว่าโยมก็ดึงทันว่าอุ้ยอันนี้จำขึ้นขึ้นมาทันทีได้พิจารณาตรงนั้นเลยครับว่าเอ้ยมันไม่ยังโยมคาดหวังว่าโยมจะมาใส่บาทแล้วโยมแบบเหมือนรู้สึกผิดหวังแต่ว่าโยมก็ดึงขึ้นมาเอ้ยมันเป็นมันเป็นความไม่แน่นอนคือคือนาเวลานาทีนั้นนะคะพระอาจารย์โยมก็โยมก็โยมก็โยมก็โอเคโยมก็ก็ก็รู้สึกโอเคพลันนแดไปโยมก็ถามว่าเอพระอาจารย์แต่โยมก็ไม่ได้ถามว่าพระอาจารย์ อาการยังไงบ้างยมก็เลยทำาำเขาไปว่าเออแล้พระอาจารย์ตอนบ่ายนี้พระอาจารย์จะเทนหรือเปล่าเอกงั้นงั้นรอดูก่อนนะยมก็โอเคพอยมก็ติดตามน้าเฟซเลยค่ะพระอาจารย์ mm. ยมก็พอประมาณสิบเอ็ดโมงรึเที่ยงพระอาจารย์งดอยุยมก็ติ้วอีกข้างหนึ่งว่าอุยหนักแน่เลยยมก็รู้ใจไม่ดีค่ะพระอาจารย์ mm. ยมก็เลยอ๋อแต่ก็ความไม่แน่นอนอียมก็ก็น็กอีกเด๋ยมก็เออ โอเคยมก็พอดีอนนยมก็มันร่นมันร่นไข่กําลังหนักพอดีนอนนอนซมหรืออะไรลุกไม่ไหค่ะเพราะอาจารย์ยมยมเพิ่งได้ว่าใส่ต้องอาการหนักเนี่เลยแล้วแต่ว่ายมต้องบินบินกลับในวันรุ่งขึ้นน่ะคะ่ะอาจารย์ยมก็เลยก็เลยไม่ได้รอใส่บายของของวันคืออีกวันคือจะรออีกนะคะแล้วแบโอ้ตายละไม่ใช่ตายละคือยมก็ว่าอืมนี่จริงๆความคาดหวังความไม่แน่นอนการเซอร์ไพรส์อาจารย์เซอร์ไรส์กับแต่ว่า ที่ไม่ดีสําหรับโยมโยมคือคือไม่ใช่ก็คือพระอาจารย์แบบเอป่วยนะคะอาภาธโยมก็เออแต่วโยมก็ได้พิจารณาทําข้อนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ว่าค่ะขอนี้ขึ้นมาโยมก็ไม่มีอนะไร<ช>แนะ่นอนไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเห็นทุกวันทุกวันโยมก็พูดกระสามีว่าสามีบอกใช่ฉันก็เห็นเธอโยมแต่สามีเขาเขาเขาก็ พ, พูดเขาก็พิจารณาได้นะคะพระอาจารย์เขาเขาพูดคํานึงว่า เออเธอไม่ได้ใส่บาทครั้งนี้แต่แต่แต่เพื่อนที่เธอเพื่อนที่เธอนัดมาเพื่อจะมาใส่บาทเพราอาจารย์จะเธออย่างน้อยเธอก็ได้พบเพื่อนเพราะโยงไม่ได้เจอใครเลยค่ะ mm. พระอาจารย์อืมค่ะอย่างน้อยเธอก็ได้พบเพื่อนเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือว่าเออใช่แล้วก็บอกว่าใช่แต่ว่ามันมันเออมันไม่ได้เราไม่ต้องการแบบเออสมบสิณ์อะไรมากไงค่ะพระอาจารย์แต่ยงก็เลยแบอกว่าแต่แต่ลักลาคือยงว่ายโยงก็ทั้งสอบตกแต่ว่าแต่ก็ยังยังดีที่ยงแบบ อคิดคิดคินะจุดเวลานั้นได้เลยนะคะอาจารย์อย่างนี้โยมโอเคอยู่ไหมโอเคจริงใจว่ายังไม่ไม่ไม่ไวยังช้าไปหน่อยค่ะโยมก็คิดว่ารู้เขาว่าโยมช้าคือมันจะต้องไม่อะไรแต่โยมแบบต้องไม่หวังอะไรเลยต้องไม่หวัเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอค่ะได้ยินแบบนั้นมาปั๊บ ยมก็ต้องไม่ ม, ไมีคิดอยู่อะค่ะแต่ว่าพอคิดได้ลมก็กลับมาพิจารณาคือนัเวลานั้นต่อมาเลยยมก็คิดได้ยมก็โอเคยมก็อืมก็คิดว่าเหมือนฮะเหมือนสอบผ่านนิดนึงเกือบตกหรือครับเส้นประมาณอย่างนั้นค่ะค่ะยมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ียมก็เลยกลับกลับเข้ามาซูมเพื่อมาเยี่ยมพระอาจารย์ในซูมแล้วขอพระอาจารย์ชาติขันแข็งแรงนะพะเจ้าค่ะดาสาทุจัร ไปไหวเจกันหม่ขวพระอาจารย์ค่ะขอบมแน่นแน่นอนเข้าใจมากขึ้นชัดเจนสาธุสาธุสุจุ๊บค่ะไว้ดีอาจารย์สายทิพต่อกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเข้ามาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะ อย่างเรียบร้อยดีนะทุกอย่างก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเหมือนข้อแข็งค่ะพระอาจารย์น่าอาจจะเป็นข้อเสื่อมแต่ว่าใจก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็ปวดก็นวดนวดไปอะไรเงี้ยค่ะพระาอาจารย์เราเห ม, มือนเหมือนบอกว่าก็ดูคนไข้ไปตามอาการรักษาไปตามอาการค่ะก็รักษาไปกินยาไปด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็ปล่อยวางไปด้วยค่ะหมอก็ต้องมีธรรมโอุปสมบักษาหมอไปด้วย ค่ะรักษาใจไปด้วยรักษาสุขภาพไปด้วยแต่ตอนนี้บางบางวันก็นอนพุกพุกหนานาน่อยอยู่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์เนเพราะว่าเพราะว่าเป็นสงโลกพร้อมกันอยู่ๆก็มาพร้อมเลยค่ะอันหนึ่งเป็นอ่อนรองกระดูกทับเต้นประสาทมันถ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่บางวันก็นอนพุกธรรมดาค่ะพระอาจารย์สลับสลับแบบนั่นก็ได้ทำาห้าสิบห้าสิบ กิเลตอาจจะมาหกสิบแล้วที่อยากก็ไม่ได้แก้มก็แก้มก็กลมแล้วค่ะพรอาจารย์กินข้าวตอนเย็นน้ำสีข้าวเลยค่ะตอนนี้กลับมาทานข้าวเพราะว่างานงานเยอะแล้วก็พอเผลอมาทานข้าวมันก็ติดเลยค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวกางเก่งครับแล้วเดี๋ยวจะจะเริ่มใหม่เลยค่ะพรอาจารย์เห็นได้ยินเสียงภระอาจารย์ไปพระอาจารย์ หายไวๆนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะไปที่คุณนีแวะคนหนิงเกี่ยวกับนวมสการพระอาจารย์ค่ะไหนนูอยู่สมุดประการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไม่ว่าดิ้งก็มีคำถามที่อยากจะถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิอาจารย์ค่ะคือ ทราบว่าสมาธิมีสมาธะแล้วก็วิปัสสนานะเจ้าคะทีนี้ว่าไม่ใช่หรอกวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิสมาธิมีมีสมาธิวิปัสสนาเปนอีเป็นอีกอย่างหรือเป็นปัญญาไม่่โนโนโนจำผิดรู้หมายถึงภาวนามากกว่าภาวนามีสมาธะมีวิปัสสนาภาวนา แต่สมาธิสมาธิก็คือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาคือปัญญาออเจ้าค่ะทีนี้ว่าเอ่อตอนนี้เจ้าค่ะ ท, ที่ที่ที่หนูปฏิบัติอยู่นะคะจะเป็นสมถาะาก็คือว่าการเอ่อเดินจงกรมสามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุโทโธสามสิบนาทีเจ้าค่ะ ก็ยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่าบางคนก็ก็ก็มาแนะนำว่าให้เดินปัญญาเลยเหมือนกับว่าให้เราทำความรู้สึกตัวแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเคยเคยทำอยู่แต่ว่ามันหลุดทุกครั้งอะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองก็เลยตั้งใจว่าจะฝึกสมาธเนี่ยไปก่อนให้มันเข้มแข็งแต่ว่าพอเห็นแบบเออบางคนหรือว่าแม้แต่พระเจ้าค่ะ ที่แบบดูเหมือนมีมีฤทธ์ทําปฏิหารแล้วดูแล้วมีชานแต่ว่าพอเวลาหลงก็ปื๊ดไปเลยอเจ้าค่ะก็เลยแบบเริ่มสับสนนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยทํำยังไงถึงจะได้ไม่ถึงจะไม่หลงคะหนูกลัวหลงมากเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็พอมีฤทธิ์แล้วเขาก็ก็เริ่มหลงเหมือนกันค่ะก็ต้องมีสติมีปัญญาบอกว่าอะไร ที่เป็นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันก็เป็นเป็นเรื่องของก็ดูว่ามันเป็นของจริงหรือไม่จริงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงมันเกิดไปไ ป, ไปมาม า, มาหายหายเราไม่ต้องไปเอ่อเอาม า, เ, า, เ, า, เ, า, เ, าเป็นสาระสําคัญเดี๋ยวค่ะอาการปฏิบัติของเราเร า, เราพูดเป้าไป ท, ที่การทําใจให้สงบให้นิ่งให้ตั้ง ให้ต้องเป็นโูงเด็กขาให้มีความสุขจากการทําใจให้สงบคนอย่างอื่นหนึงเดือนจะปวดขวดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเนี่ยเข้าไม่หลงแต่ถ้าไปนั่งแล้วเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วเชื่อเป็นนู่นเป็นนี่ก็หลงน่ะเจี๋ค่ะให้ให้เข้าใจว่าเราเพิกสติเพื่อให้จิตสงบไะ ให้เป็นสมาธิให้จิตสงบว่างเย็นสบายอันนั้นแหะคือเป้าหมายของการปฏิบัติสมาธิเจ้ค า, า, าค่ะส่วนอะไรจะปรากฏให้เห็นก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นไตลักวันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อยากแค่ความสัมพันธ์กับมันเจ้าค่ะปล่อยมันไปมันจะมาก็รู้ว่ามันมาเมื่อะไร ให้เรากลับมาที่สติของเราถ้าถ้าไหลมาปอดหดอย่าไปสนใจกลับมาที่พุโทโธพุโทโธถ้าาใช้พุโทโธถ้าใช้โลงกลับมาที่หลงไปเจ้าค่ะอย่า ง, างนี้ก็ไม่หลงเจ้าค่ะแต่ถ้าไปตามรู้ว่านู่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็ น, น, เ, ป น, น, เ, ปนเป็นพมเป็นเทวดาเป็นบารเป็นอะไรแสดงว่าหลงเล้าค่ะ กลั บ, บขอบพ่อคุณเจ้าค่ะเรวต้องถามตัวเองว่าใครเป็นคนบอกว่ า, า, วามันเป็น น, ปนู่นเป็นนี่ก็าเราไปบอกคนนี้ว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ทำไมเวามันมาปรงกฏมันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นพรษ์ฉันเป็นเทวดาฉันเป็นป น, น, นู่นเป็นนี่หรอกไอคนนั่งสมาธิเี่ยหรอกที่ไปเห็นแล้วก็ไปว่ามันนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเองอย่างนี้นั่นเรียกว่าหลงนะเจ้าค่ะอถ้าเราไม่ไปว่าเขาเป็นอะไรเราไม่หลงหรอกเอางี้นะถ้าเราว่าเขาเป็นตายรักเนี่ยไม่มีไม่ไมีทางหลงได้ อพราะยึดความหลับตายรักแล้วไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวันที่จะหลงได้เจ้าค่ะนะอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไปควบคุมมันคำ้ำไม่ได้อีกคําถามหนึ่งจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยาก เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เจ hmm ้าค่ะแล้วเรากำหนดจิตเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้สว่างในในในในในสมาธิของเราอย่างนี้อันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานใช่ไหมเจ้าคะะล้าเราเลอกถึงพระพุทธรูปมันก็ใช่พระพุทธรูปเป็นเป็นพุทธานุสติเป็นที่ตั้งสติของเราเจ้าค่ะ อันนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่ความจริงพุทธานุสติที่แ ท, ท้จริงก็คือให้เราเล่กถึงพระพุทธคุณเช่นส่วนบทอิทธิปิโสหรือว่าเราเราเล่เ า, าลถึงคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยเรียกว่าพุทธานุสติแต่ถ้าเร า, เราจะใช้พระพุทธรูปก็ปได้เพียแต่ว่าพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ <c oughs> ไม่มีใครรู้รูปดาวตาของพระเจ้าเป็นยังไงหรอก S <S รู้แต่รู้แต่พุทธคุณรู้ว่าท่านเป็ น, าานสภาพอรหันตาสาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุตรัสรู้่ยด้วยชอบด้วยตนเองอะไรในพุทธคุณอ๋อยอมเคยนั่งสมาธิแล้วก็เคยเห็นรูปพระพุทธรูปใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบว่เาเป็นเป็นนิมิตขึ้นมาทีนี้ก็แต่ว่าเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็าบางครั้งก็แต่ว่าเห็นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึก ปรับปริมแล้วก็ปิติในในสิ่งที่เห็นนะเจ้าค่ะมันก็อาจจะทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นภาพนั้นอีกสักครั้งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ตลอดแต่ทีนี้ว่าจากที่พระอาจารย์สอนเนี่ยคือถ้าเราระลึกถึงคําว่าพุทโธก็คือจัดว่าเป็นพุทธานุสติที่อยู่ระลึกในใจแม้ไม่เห็นภาพเช่นกันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องต้องแล้วการไปอยากเห็นภาพมันก็เป็นกิเลสขอเราสาธุเ <c oughs> จ้าค่ะ เอไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะอถูุจ้าสาธุาธค่ะไปที่คุณจิฟแมริแลนด์จิฟแมริแลนด์ USA ขอบธรรมสกันคะพระอาจารย์าอาจารย์ไว้สบายดีขึ้นหรือยังเจ้าค่ะก็ดีขึ้นตามลําดับอยู่เอ่อค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่เหรอคะพระอาจารย์เอ่เป็นค l u เป็นตั้งแต่วันกี่วันแล้วอะคะตั้งแต่วันเสาร์เย็นหรืเริ่มเริ่เสื่อการที่อาจารย์พูดอ๋อห้าวันโยมก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะตอนนั้นห้าวันมันจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์หายไวๆนะเจ้าค้าตอนแรกตอนแรกโยมมาฟังเอ๊ะเสียงพระรูปใหม่หรือไงเสียงงไม่เหมือนเดิมเลยเงไม่เหมือนเดิมเลยแล้วเอ๊ะ ใช่โยมอาจารย์เสียงหนุมขึ้นมากเลยเจ้าค่ะโย ม, มแบบเอ๊นึกว่าใครมาภาคใครมาภาคเสียงพระอาจารย์ของเราหรือเปล่านี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะโยมไม่มีคำถามอ๋อโยมจะถามอาจารย์แค่ยังบางที่โยมเห็นลูกคือย่ลูกของโยมนะคะเขาเหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นช่วงวัยรุ่นหรือเปล่าก็จะแบบมีอาการน้อยใจเพื่อนมีอาการอแอบ น้อยใจเอ้ยทำไมเพื่อนไม่คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นลูกเราเศร้าอย่างนี้เราทําทําใจเรายัางไงดีอะค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับเราอยา่อยาไปเศร้าเราก็อย่าไปเศร้าเขาสิมาปล่อยเขาเศร้าไปรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่ควรจะคิดแต่ว่าเอ้ยเขาจะคิดไปอย่างนี้ไม่มีเซลล์เอสตีไม่มีเซลล์คอนฟิดเอนซ์ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้มันมันเกินไปใช่ไหมคะโยมคิดเกินไปใช่ไหมคะ คือเราก็ปลอบพูดได้เขาเศร้าเราปลอบให้เขาหายเศร้าได้เราปอกกลอบใจเข้าไปแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็มันก็เป็นเรื่อง ข, ของเขาก็อยากจะเศร้าเขาไปผมเศร้าไปอืคิดมากไปเองเขาไม่ใช่ไมเขา้าเขาไม่มองด้วยปัญญาว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเพื่อนเขาอยากจะคุยกับเราเบีงยวเขาไม่อยากจะคุยกับเราเขาเท่านั้น <C> e <an> แต่เรามาปูตแต่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเราไม่ดีเพราอะไรคิด <C> e <an> ไปเองค่ะเนี่ย <C> e <an> ไม่ได้อกความจริงบางทีว่ามันไม่มีอะไรแน่ น, นอนอีกทั้งก็ไม่แน่นอนวันเนี้ยเป็นเพื่อนรุ่นนี่จะเป็นศัตรูกันก็ได้ค่ะ <C> e <an> ยมก็พยายามสอนค่ะแต่ก็แบบก็แบบบ า, างทีเราพูดเกินวัยเข้าไปหรือเปล่าแต่ก็เออ ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยไม่เกินหรอไม่เกินหรอกมันพูดตามความเป็นจริงค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบก็เลยเคยได้ยินเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าเวลาเรานั่งสมาธิและมีสมาธิดีๆมันจะเกิดปัญญาใช่ไหมคะโยมก็เลยว่าเออถ้า่ไม่เกิดไม่เกิดปัญญาหรอกสมาธิดีๆไม่เกิดปัญญาเข้าใจผิดสัมผัสเนี้ย <รอ S 1> สัมสสมาธิดีก็จะก็จะเกิดอุเบกขา เกิดอุัตเหตุค่ะแล้วไปพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นให้เกิด ป, ปัญญ า, ญญาแล้วก็จะได้ล่อยวางได้ตรงได้ย่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าสำหรับเด็กวัยรุ่นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้านโนยมให้เขาแบบปฏิบัติแบบไม่ใช่นั่งแต่เป็นการเหมือนกับว่าค่ะไม่ใช่เดินแต่เป็นลักษณะเอามือแบบโฟกัสมือซ้ายขวาอะไรแบบสมมตินะคะ ก็คือนั่นก็คือการทําสมาธิจดจ่ออย่างหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์อยากไปทำเลยทำแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยให้นั่งนิ่งๆดีกว่านั่งนิ่งๆดีกว่านะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเริ่มฝึกไปห้านาทีสําหรับเด็กสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ห้านาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะค่ะยอมก็แบบบางทีคิดแบบบางทีเขาจะได้มองตามหลักความจริงให้เข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ใจเขาต้องนิ่งอยู่ใจไม่นิ่งแล้วพี่เลดันหลอกพาให้คิ ด, ด<ช>นจนมุดหมายใจเลยนะมันอยู่ที่อเมริกามันยากมากเลยจริงๆค่ะพรอาจารย์โยมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นอะไรที่แบบคือแบบคือเขาไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวเลยอะค่ะโยมเขาไม่รู้จักผิดถูกดีเช่อวนะทั้งวันนี้ใช่ค่ะโยมเลยแบบโหยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้ว เวลาเราพูดอะไรเด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบเหมือนกับหาข้อมูลของเขาเองคือเหมือนกับเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าเราอีกข้อมูลข้อมูลคล้ายๆหนึ่งใช่ใช่ค่ะโยมก็แบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็อโอเคค่อยๆจะล่อมจะล่อมตามตามที่เราทําได้อะไรนี้ค่ะก็เดี๋ยวโยมจะเอานําไปปฏิบัตินะเจ้าค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> ขอให้พระอาจารย์ดีขึ้นเร็ววันนะคะถูกต yeah. ้อค่ะเดีอาทิตย์หน้ากลับมาเป็นเสียงพระอาจารย์เหมือนเดิมไม่แน้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่ <c oughs> ก็ยังไงก็ขอให้พระอาจารย์อยู่กับพวกเราไปนานแสนนานไม่แน่นอนเหมือนกันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันอันนี้เป็นความอยากในทางที่ดีก็ไม่เป็นไรเป็นการวารวยพรอนะเป็นงานรวยพรค่ะ ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะกลับมาราชการเจร้าค่ะสาธุค่ะไปที่บินตายอัธยาน้องแก้วมาราการอาจารย์ตรงนี้มาใส่บาตรหรือเ่ะไปใส่ครับอาจารย์ใส่อยู่นะนใส่ใส่ทุกวันเลยค่ะไอไม่ใช่ใส่ทุกวันใส่วันจันทร์กับวันโทษ น, นะคะตอนนี้เคยใส่เป็นปกติใช่ไหมใช่ะนะค่ะก็ตอนแรก โยมก็รู้ว่าพระอาจารย์ไม่ใส่ไม่ไม่เดินบิณฑบาตวันวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะโยมนึกปุ๊บขึ้นมาหนูต้องกลับขอประทานโทษด้พระอาจารย์เพราะว่าหนูไปนึกถึงความภาดพลาดมาเลยมันดีแยกเตรียมตัวมันต้องมาทำอย่างกันไม่ใช่ก็เลยอะหนูหนูไปนึกถึงจุดนั้นเลยเสร็จแล้วหนูก็แล้วก็มีคนมาถามว่าเราจะไปใส่บาตรไหม โยมก็บอกว่าต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบต้องรีบใส่ต้องรีบทําทําให้มากกว่าเดิมได้ซ้ําถูกต้องเรื่องการทำบุญเนเรื่องของเรามันได้ค่อยๆอยู่อับคนนั้นคนนี้ค่ะโยมก็บอกว่าโอมยังไปไม่ถึงไหนเลยมันจะต้องต้องรีบต้องต้องขนขวายหาค่ะหนูกลัวหนูกลัวแบบก็ใจก็ แด้ อ, อเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ก็คิดว่าต้องทําต้องทําให้มากกว่าเดิมได้ซ้ำนะคะอาจารย์ถ้าอย่างน้อยรักษาสี่ห้ากับทําบุญไปเรื่อยกๆก็ก็ก็ปลอดภัยแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอให้อาจารย์ท่าขังแข็งแรงเรวันนะคะจ้าสาธุอาจารอ่าขุค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวไปที่ปุ่ม่าอะไรค่าย่ค่ะอาจารย์ก็ค่ะ ค น, คนอื่นเขาสป라이ดไม่เจอพระอาจารย์ใช่ไหมคะหนูก็สป라이ดเพราะว่าหนูไปเจอพระอาจารย์ที่ศาลาฉันตอนเช้าก็ตกใจเหมือนกันค่ะเ อ, อว่าผมที่ถาวายอาหารนะค่ะก็เลยก็เลยขอให้พระอาจารย์พาดขันแข็งแรงหนูก็รู้เลยว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องสอนอะไรแน่เลยพอสอนมาเป็นว่าเถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีสี่อะไรเงี้ยออก็เลยตอบเลยค่ะว่าเป็นไตลัก อ, อ, อันนี้ใช้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยนะออใช่ปัญญา ถ้าเห็นกายล้ก็แสดงว่ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมหนูหนูก็ระล็กตลอดเวลาค่ะว่าถ้ามันมีสองอย่างถ้าไม่หนูไปก่อนก็ก็โทษค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไปไปตามทาดขันหรือไปพร้อมกันก็ได้มีอีกอันนึงนะคะหนูขออนุญาตพูดเร็วๆเลยค่ะวันที่หนูไปปฏิบัติธรรมที่บนพระรมธาตนะคะหนูหนูช่วงหนู Walking Meditation นะคะ่ะหนูก็จะไปดูพระาธาตุของของพระอริยะสมต่งางๆแล้วก็พระพุทธเจ้าะคะหนก็เลยกลับมานั่งที่เสร็จปุ๊บแล้วหนูก็นั่งหลับตาหนูก็ใช้ไฟจริงๆตอนแรกกะว่าใช้ไฟจุดแต่ว่าหนูเริ่มก่อนว่าเริ่มจากที่เราตายตายแล้วกลายเป็นเราก็จะมีสีเขียวสีดำเละอะไรเงี้ยค่ะผมหลุดแล้วก็ใช้ไฟจุดล่างอะคะ่ะทีเนี้ยหนูมาติดตรงที่หนูใช้ พอใช้ไฟจุดร่างผูวไฟมันก็ลุกทั่วตัวแต่ว่ามันลุกนานค่ะมันก็เลยเหมือนกับแบบนั่งไปนานหลายนาทีนะคะหนูก็เลยข้ามไปตรงที่หนูว่าไปไปเก็บกระดูกยายะคะ่ะแล้วหนูก็ดูพิจารณากระดูกยายเป็นเป็นท่อนๆโดยที่ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นร่างกายของเราะคะ่ะแต่ว่าใช้กระดูกของยายเป็นตัวอยา่างอันนี้ได้ไหมเจ้าค่ะก็เลยังเป็นสัญญาอย่างนี้ยังเป็นหนกังไม่เหมือนจริง ค่ะม <ME> ันต้องปิดตรงกลต้องปล่อยให้มันใหม้ให้มันเป็นผ้ามันเป็นไปตามแล้วก็ตามําขั้นตอนไปให้มันไหม้จนหน้าหน้ากายมังสุดลงไปะซึ่งมันใช้เวลาหนึ่งี่เ่าเอาหนาก็นานเลยจะรีบไปไหนล่ะหนูหนูว่าหนูคือเหมือนสลับกันนะคะระหว่างพิษใช้ปัญญาแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิหนูก็เลยรีบไปนิดนึงค่ะ นั้นก็คือก็ต้องปล่อยให้มันค่อยๆไปไนะหลไปเรื่อนะยๆนะ ก, กันดูไปเรื่อยๆตามตามภาพเป็นจริงค่ะใช่ค่ะขอบคุณจ้าค่ะอรับทุกผู้ชจอยได้ยินไหมคะได้ยินแต่ไม่ไม่ค่อยดังได้ยินไหมคะเอาพูดใกล้ๆปากนอยใกล้แล้วขาได้ยินได้ยินไหมคะโ okay. อเคผมได้ยินอยู่ แล้ววันที่ไปวันพนี่ก็น่าจะน่าจะเดินนะแต่ถ้าไม่รับรองร0อปรเ็แต่คิดว่าน่าจะเดินได้วันศุกรนี้ใช่ไหมขอขอวันศุกร์วันพาร์ค่ะแต่ถ้าไม่รับประกร100ันร้อยเปอร์เซ็ตน่หวังว่าเขาจะไปได้ถต่ไม่อยากจะพูดอะไรทางเรื่ององนาคตเดี๋ยวพูดไปนาเดี๋วมันไม่เป็นไป้็มันก็จะไม่เป็นเลยครับทาให้คนอื่นเขาผิดหวังได้ ให้มันซื้อไพ่ไปก็ว่ากันค่ะหนูหนูก็หนูหนูก็จะทำเพื่อตัวหนูเองเหมือนที่พระเจ้าขอนเราค่ะทำใหน้าที่ใส่บายของเราว่าใส่ไปไม่ต้องไปกังวลหรอกคนนั้นมาแล้วไม่มานะออไปยังถึงเวลากินข้าวแล้วก็กินไม่สนใจว่าใครอยากกินด้วยแล้วไม่กินด้วยใครยังมาเสิร์ฟมาให้เราได้ไหมค่ะมันก็มันก็ทําให้ให้ให้รู้ว่ามันมันไม่เที่ยงใช่ไหมคะอ่ ที่ยัไม่แน่นอนควบคุมบังคับนี้ไม่ได้นนค่ะ ไ, ได้ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็ทําพยายามทำอดทนอยู่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็สู้ต่ออ่าดีดูมไม่ถอยนะค่ะค่ะขอบคุค่ะไปที่มาไร้แล้วอีกรอบหนึ่งคุณเฉลิมไทยกับพัศการพระจารย์เจ้าค่ะยมมีข้อสอบค่ะพระจย์ พ, าา <laughs> พอโยมทราบว่าพระอาจารย์ ไม่สามารถเทศเวนอาทิตย์ได้อ่ะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ไม่มีวิสัชนาธรรมมันใจไม่ดีค่ะพระอาจารย์ <laughs> mm hmm. เราก็พยายามกําหนดที่ใจเราอ่ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าถ้าลูกศิษย์ทุกคนสามารถส่งบุญได้จริงพระอาจารย์น่าจะหายไปแล้วอ่ะคะ mm ่ะ hmm. หายไปแล้วะะ mm hmm. ลว mm ัน hmm. กันก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดเลยะค่ะก็รู้สึกอย่างที่คุณตายพูดว่าตัวเรายัง ขนาดเราไม่ได้ฟังธรรมพระอาจารย์แค่วันเดียวยังรู้สึกใจหายเราก็รู้สึกว่าอุ้มันยังเรายังไม่ได้ปฏิบัติได้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรถ้าเกิดว่าขาดธรรมมาพระอาจารย์เนี่ยโยมต้องเละเทะแน่เลยในการปฏิบัติโยมรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องทําให้มากกว่านี้ต้องต้องทําให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้สิ่งที่พระอาจารย์สอนมาสูญเปล่าอะค่ะไม่ต้องการต้องการทําให้พระอาจารย์ เรียกว่ า, างไงเดียค่ะนั่นแหละเป็นความคิดที่ดีค่ะแต่ตัวครั้งนี้เราคิดถึงความกายความป้านๆจากกายนั้นมันจะกระตุ้นให้เราเร่งรี บ, รบขยันทาหน้าที่น้อยมากขึ้นเราโยงก็เลยปฏิบัติเยอะมากค่ะพระอาจารย์แล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบังเอิญว่าที่วัดไทยเขามีคอร์สปฏิบัติธรรมอะค่ะโยมก็ไปโยมก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติเจริญสติโยมก็ ยงก็เล่าให้พระอาจารย์ที่ท่านมาสอนบอกว่าสิ่งที่ยงต้องการตอนนี้คือต้องการสติยงรู้สึกว่าสติมันไม่ต่อเรื่องแต่เวลาที่ไปปฏิบัติมันจะเป็นการเดินเป็นแบบยิบหนอพองหนอค่ะเดินปฏิบัติที่เป็นหกเจ็ดจังหวะอย่างเั้นยนะคะยงก็เอามาปฏิบัติต่อที่บ้านคือเราก็เดินสองรอบเชา้ชาเช้าก็นั่งสมาธิบ่ายก็เดินรอบนั่งรอบเย็นก็เดินรอบนั่งรอบ มันก็ต่อเนื่องแต่ว่าพอเข้าวันจันทร์วันอังคารมันก็ต้องไปเจอผู้คนอีกเหมือนเดิ ม, มแต่ก็รู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลยว่ากำลังสติมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็กำลังสมาธิก็แน่นหนามากขึ้นแต่ก็อย่างที่ว่าว่ามันก็ต้องฟังธรรมปาร์จไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อให้มันเข้าถึงจิตว่าเราจะต้องไม่ยออ่อท้อต้องทาจนกว่าจะถึงจะถึงที่สุดนะคะ ยงก็<ไ>ประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ยงก็รู้สึกว่ายงไม่ต้องการให้พระอาจารย์เสียเวลาสอนโดยที่แล้วเราไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์พระอาจารย์น่าจะต้องการสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนทําให้ได้มากที่สุดนะคะได้ไดผลกันได้มากได้ผลกันในสัมผัส่าแข่งคำใจชนะรถทั้ทงพวงค่ะยมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ยมทําได้ ยมไม่สามารถจะอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์รับใช้ได้ก็ปฏิบัติบูบชาค่ะทำะะให้ได้ดีที่ ด, ดีที่สุดก็การปฏิบัติบูชาค <c oughs> ระอาจารย์ผมก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดแล้วก็ขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะพระอาจารย์นะครับทุกท่านคุณพระาอาจารย์ที่คุณหมอสุทั ศ, ท ศ, ทศนัยสุทธัศนีประทุมธานีนน ธรรมสถานท่านพระอาจารย์เจ้าคัะขอให้ท่านพระอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงแล้วก็หายป่วยเร็วๆนะเจ้าค่ะอต่างปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติบูชาเจ้าค่นเออดีได้ยินได้ยได้ยินว่าปฏิบัติกั่างน้ก็ทาให้หายนะ่ะสายช่างดีขึ้นเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์อ่าคือไม่มีอะไรนะไี่มีเจ้าค่ะ โอเคไปที่คุนมา ล, ยมาลยียนีดีที่วุฒธธากาศเปิไหม ก, ก่อนหนูอยู่วุฒากาศของพ่อวันนี้วันนี้เสียงหลวงพ่อไม่สบายเออเสียงแหบเลยน ะ, ะดีดีขึ้นแลบบ้วใช่ไหมคะหลวงพอ<ม>่อดีขึ้นเยอะแล้ ว, ลวดีดีขึ้นกว่าทุกทุกวัน ท, ที่ผ่านมนาะ แ ล, แล้วหลวงพ่อไปหาหมอหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ไดเ้เราเป็นหมอเองเลยเราเป็นหมอเลยด้นกันในคนไข้เราเลแล้วก็ดูแลเป็นไงสร่างเป็นโรคปีนหลวงพ่อมาซึ่งเห็นคราวนี้ที่หนวงพอเสียงแบบป่วยเสียงเป็นไฟเยอะมากเลยอืมไม่มธรรมดามันเป็นธรรมดาของร่างกายค่ะอย่างตอนเช้าอ่ะหนูหนูฟังรู้สึกว่า เวลาร่างกายมันจะป่วยเวลาเราไม่ไหวอะไรเงี้ยส่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตเน่ยมันคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุดนะจะไม่ปฏิบัติอย่างเงี้สงสยสลวงพ่อมันมันไ ม, ม, นไม่มันหยุดไม่ได้ค่ะถึงเราจะป่วยอย่างเงี้ยค่ะหลว่อก็อต้องต้องไปปฏิบัติคือมันมันไม่สามารถที่จะถึงเราจะป่วยแต่ว่ามันไม่หยุดอะค่ะหลวงพ่ อ, พอถ้ายังปฏิบัติได้คุณจะทำต่อไปอย่าให้ใ<ช>เราเลือกในการเจ็บป่วยเล่นเล่นๆล่นน้อยมาอ้างทำให้เราขี้เกียจ ค่ะคือคือไม่หยุดค่ะหลวงพ่อก็ปฏ<ร>ิบัติก ja ็ยังทําทุกวันปฏิบัติทุกวันค่ะหลวก็คือมันไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วอะค่ะใช่มันมันมันเป็นเหมือนนาฬิกาอัตโนมัติเละใช่ไขลานก็แบอัตโนมัตินะใช่ค่ะคือต่อให้ป่วยก็ต้องปฏิบัติทั้งป่วยป่วยมันก็มีความรู้สึกว่ามันแยกกันนะคะหลวงพ่อว่าใจกับ แต่กับกายเราอ่ะมันมันมันมันคนละส่วนกันก็เราก็ปฏิบัติได้ค่ะหลวงพ่อแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่แต่แต่แตก็ไม่ขาดค่ะหลวงพ่อทําทําตลอดทําทุกวันค่ะหลวงพ่อถึงดึกถึงอะไรก็ปฏิบัติทุกวันไม่ไม่ขาดค่ะหลวงพ่อหนูเห็นหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อยังมาสอนยังมาปฏิบัติแบบเนี้ยทําให้หลายๆคนคือต้องมีกําลังใจที่จะไม่ทิ้งนะคะหลวงพ่อ ทิ้งไม่ได้เลยอะค่ะขอให้เราป่วยยังไงก็ต้องต้องทำค่ะมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราจะต้องทำทุกวันไม่ขาดอราวันนี้หนูก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะแล้วก็ทาต่อไปทําต่อไปแล้วก็จำลองจาลองเหตุการณ์ต่างๆเป็นการบ้านฝึกซ้อมไป วันนี้หนูเข้ามาช้าไปเพราะว่าเพิ่งจะกลับจากทํางานสักหนึก็ยังก็ยังทานอยู่ค่ะโอเคงั้นลานี้ก่อนนะค่ะหนูห้อกลับเพระว่าคนข้าไปที่สุโขทัยคุณหญิงกลับถึงบ้านแล้วเหนะื่อ ม, มากจานธรรมสการ์แล้วค่ะอาจารย์กลับถึงบ้านเมื่อวันเสาร์เลยเจ้าค่ะที่ไปกลับพักการเจ้าค่ะก็กลับกลับเลยเจ้าค่ะ โยมก็เล่าให้ลูกชายกับแฟนฟังว่าพระอาจารย์ไม่สบายสองคนตกใจบอกว่าเออเราเชื่อไปให้พระอาจารย์หรือเปล่าบอกเอ้ยเป็นตามเหตุปัจจัยโยมก็บอกเขาแบบนี้เจ้าค่ะก็เราเป็นหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นก็ไม่มีชื่อคไม่เป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้ค่ะไม่ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ดูแลท่าขันเจ้าค่ะ ยาอาทูปอาทูเจ้าค่ะไปที่กุนิงต่อกุนิงพัทยาตอนนวัตการท่านอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนท่านอาก็ได้ยินพระอาจารย์ป่วยอาพาธก็ก็รู้สึกว่าได้ยินก็เข้าใจครับพระอาจารย์น้องๆบอกไปให้เราก็เข้าใจว่าตามตามอายุ แล้วก็ทุกคนจะต้องเจอค่ะพระอาจารย์ดังกฎของตายรักทุกคนมีกฎตายรักใช่แล้<ๆ>ค่ะแต่เพราะคุณแก่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนการตื่นเช้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องเจออะค่ะพระอาจารย <ương> ์มันทําให้มันทําให้ห น, หนูรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะทุกคนถ้ามาถึงจุดนี้ได้ ถ้าไม่ตายสะก่อนก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องเจอค่ะพระอาจารย์อ่าฮะมีบททดสอบเป็นธรรมะสอนใจมาในตัวใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทําให้เห็นว่าเออทุกอย่างมีมามีไปมีไปมีมามใจตกใช่ค่ะมีเกิดมีดับเหมือนเราทํางานเหมือนกันก็เจอ<ม>ทุกวันหาเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมามกระทบทุกวี่ทุกวันบางครั้งก็อ๋อรู้เลยว่าใจเนี่ยตก ใจขึ้นใจลงก็พยายามที่จะดึงค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้ต้องให้รู้เลยว่าเราเนี่ยก็ยังโอโหางกันห่างมากในเรื่องของการอืมที่จะปฏิบัติแล้วก็มีกิเลสมีอะไรเข้ามาเยอะแยะครับพระอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของของคนเนาะพระอาจารย์หนูก mm ็ hmm. ย, ายามที่จะประคองใจของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะพระอาจารย์ก็เลยรู้ว่ามันก็ยากพอสมควรแต่ก็พยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ ต้องทำต้องพยายามทำบปให้ ม, มากใช่ครับพระอาจารย์บางเป็นบางทีเดี๋ยวก็ยังยังแพ้กิเลสของตัวเองเยอะมากบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยมามากหรืเหนื่อยทั้งข้างในข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้องเหมือนกับว่ารับยังความรับผิดชอบใช่ครับพระอาจารย์ทุกคนก็คือเหมือนเหมือนพุ่งมาบางบางครั้งเขาบอกว่าเหมือนที่จะต้องอ่า ทำตัวแบบว่าให้มันแข็งแรงหรืออะไรเราก็รู้นะคะว่ามันก็ใช่แต่คนมันก็ยังมีอะไรนะคะคคใช่ค่ะพรอาจารย์คิดอยู่เรากโอ้โหยากมากเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับใครหรอกคะ่ะตัวเองนี่แหละเป็นที่ตั้งเลยครับพอาจารย์อันบางคนเขาเขคิดว่าว่าเออเป็นคนพูดตักหรืออะไรอย่างนี้นะคะแม้กระทั่งกับลูกกับ อ่าทุกคนหนูก็บอกว่าถาใจว่าที่ได้ฟังพระอาจารย์อ่าบอกสอนโดยหลายคนมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือความจริงค่ะว่าเราจะต้องจากไปเพราะว่าตัวเราก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเราแต่บางครั้งหนูก็คิดว่าเอาแล้วมาหาอะไระแต่ก็ต้องก็ต้องทําครับพระอาจารย์เพราะว่าหลาย <ๆ S 1> คนเขาทำหลวงมันพามาพามันพาเรามาใช่ค่ะม ต, ต, ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเขาหน้าเราไม่มาแล้ว หนูตั้งจิตหนูตั้งใจแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่เลยไม่เอาแล้วครับอาจารย์ก็พยายามที่จะเอ่ฝึกฝนต่อไปครับอาจารย์ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันใช่ครับอาจารย์ถ้าไปพูดไปก็เขาจะคิดว่าเราเห็นเก่ตัวนะครับอาจารย์ถือไม่ได้อใช่หมครับอาจารเขาสนใจถ้าเขาสนใจก็คุยกันได้ ค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่สนใจก็คือหยุดเลยเพราะว่านี่ได้เหมือนแบบกระทบเลยเที่ที่ทำให้ทจสอบแล้วก็เห็นแล้วแต่ก็โอเคเราก็คือมาที่ตัวเองดีกว่ามองเข้ามาข้างในลึกๆตัวเองอันนี้หนูก็พยายามที่จะฝึกค่ะพระอาจารย์อ่คิดว่ากรงปฏิบัติถูกต้องใช่ไหยครัพระอาจารย์ถูก ต, ต้องเ อ, เอาตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นตัวสําคัญที่สุดค่ะพระอาจารย์ครับ ก็ไม่มีอะไรหนูก็พยายามที่จะฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ขอก็จะไปฟังเต็มของพระอาจารย์ตั้งใจนะคะจะประทับทำที่มากที่สุดกับพระอาจารย์ค่ะขอให้ท่านฟังของเรงนะคะอ่านค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณมาลิศตอบมาลิศตอบรัฐบาคก็พอก็วันนี้จะมาถามเรื่องหนึ่งที่เคยฟังว่าอะไรนะ ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุชา้าอันนั้นคืออะไรนะครับปฏิบัติง่ายก็คือทําจิตให้สงบได้นั่งสมาธิพุ๊บเดียวก็สงบไม่ต้องนั่งทรม า, านเป็นชั่วโมงกว่าจะสงบอย่า ง, งนี้มีมีฝึกสติมาเยอะแต่บรรลุชาคือคิดคิดทางปัญญาไม่ค่เป็นคิดไตรลักไม่เป็นคิดจัตุภัสไม่เป็นอคิดไม่ มีปัญญาชึกมเดลยังมองไม่เห็นยังคิดไม่คิดไปในทางตารรกะไม่ได้คิดในทางเหตุผลไม่เป็นก็มันมีสี่ประเภทเราเลือกไม่ได้แต่ก็ต้องทำทำไปมันจะมันสังสมมาอย่างไรครับไปอย่างนั้นอย่างนี้นใช่ไ้มครับเออแล้วแต่เรา สะสมอะไรมาแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้สะสมมาเราก็ไม่เลยเป็นถ้าแบบพวกที่ยากที่สุดก็คือปฏิบัติก็ยากปัญญาก็ทึบปัญญุกก็ช้าสติไม่ค่อยมีนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบสงบยากนั่งไม่ได้นั่งได้ห้าทีก็อยากจะเลิกแล้วคิดทางปัญญาคิดไม่เป็นคิดตายรับเป็นอะไรก็ไม่เข้าใจ พวกนี้พวกที่สี่พวกที่ปฏิบัติยากแล้วก็บรรลชุช้าพวกที่หนึ่งเนีพวที่ปฏิบัติง่ายแลบ้บรรลุเร็วเนี่ยพวนี้สติดีปัญญาดีที่เก่งเป็นคนฉลาดเนาะปฏิบัติยากบรรลุเร็วคือสมาธิไม่ได้ไม่ได้ดีแต่ว่าปัญญาเร็วอย่างนี้หรอครับ อ, อสติสติไม่ค่อยมีแต่เป็นคนที่ที่ทางวัญญาเก่งอ๋ออ๋อไม่มีสติที่จะคอยทำใจสงบได้อ๋อมันก็เลยยากหน่อยกรสมาธติสมาธิไม่แข็งก็เลยยากอ๋ อ, อเ ข, อขอ้าใจครั บ, บก็กับนมิตการหลวงพ่อให้หลวงก็ก็หลวงพ่อก็ว่าแล้วแต่ก็สแสดงความปรารถนาดีก็ลุ่มโพล่มใส ก็สงก็ก็เห็นว่าอะไรกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็เป็น <Okay. S 2> เป็นอะไรเป็นที่ระลึกว่าถ้าเราเจออะไรก็จะพยายามนี่ึงหลวงพ่อว่าเราจะไม่ใจป่วยประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับอ่ารยที่โคราชคุณอัญญาณีน้องสาวกลับมาแล้วเนี่ยวันก่อนเราถวายของไปไป ยังไม่ได้เปิดจ้าเปิดแล้วพุทธาบปรับนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่เห็นพระอาจารย์มีอาการดีขึ้นเจ้าค่ะอืในพระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงในเร็ววันนะเจ้าค่ะใช่ถูต้องเลค่ะก็จะปฏิบัติบูบชาให้พระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคดีมากสาธุสาธุเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เารากลับแล้วค่ะพระอาจารย์เออมันต่อยเข้ามาถวายของมาทำบุญเจา้าค่ะพอแม่ลูกทั้งสามคนค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่เป็นหนัทธวุฒิไปที่เปนหลวต่อธรรมอภิษกับนักสังราพอาจารย์ ค, ค, ค, ครับอืมวันนี้ว่าอ๋อบ้านคท้อือมกคฟังธรรมครับก็ ช่วงหลังกับปฏิบัติก็ประหารช่องสมบได้ได้ได้ดีมากขึ้นพอดีมีหลายหลายวิธีครับวิีที้ถ้าให้มันฟุ้งเยอะก็ไปใช้กิติึงบำตายจิตถึงอาการสามสิบสองแล้วบางไปนั่งให้มันสงบครับแล้วก็สึกมันก็ก็สามารถที่จะแยกเอ้ความตัวรู้เข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้ น, นครับแล้วก็อตัวเวท น, นาแลวมันก็แยกออกใส่มันก็ไม่ยุ่ง ก, ก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ย ภพมาตัดเนี่ก็หายไปอันนี้อันนี้ผมอยากถามอาจารย์ครับเห็นเมื่อกี้ที่คุยกับของคุณฟังว่าอะไรเรื่องของการพิจารณาตายที่แบบให้มันดูให้มันให้มันเปผยผูกพังอะไรทั้งหลายนี่คือ เ, เราจะต้องทำตอนไหนครับเนะี่ยตองทำตอนไหนเนะี่ยการพิจารณากายครับนะเราพิจารณาตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิ ต, าาาต้องออกจากสมาธิออกจากสมาธินั ยกไว้นว่าถ้าเรานั่งสมาธิไปแล้วขณะที่นั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตอนนั้นเราก็มาเราพิจารณาแยกกายยากวิทนายากใจออกจากก็ได้ครับแล้วเรา ท, ที่ที่เหมือนกับอต้องไปดูรูปกายี่้มันแบบเอ้าเปิดทุกพันเนี่ยอันนี้เราเราทำยังไงครับเราเร า, เราทําตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิไหมครับเราก็คือนั่งพิจารณสงบก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอพอมันเข้าเข้าสมาธิอกไปยัง พอเราเสร็จจกากนั้นน้าสมาธิเราก็มาพิจารณาทางสุภาพได้ด้ถึงด่านกายเวลาบนตายแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างเป็นซากศพ ส, สิทธิการชนิดหรือ ว, ว่าดูภายใต้ข้างในของร่างกายภายในกันได้ใต้ผิวหล้ ว, ว่ามีอาการอะไรบ้างจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนตอนนี้ร่านกายความจริงแล้วมันไม่สวยไม่งามเลย แต่เลกหลงใช่ไหมคนในโลกนี้หลงกันแล้วเคับพราะไม่เคยมอง ใ, ในหน้เงยเลยอันนี้เราต้องมาคิดนึกบ่อยๆว่าตอนนี้เรายังถึงหมเราจะได้ยินว่ามีอาการทาที่สองเป็นทราแต่เราเรามองใครทีไรเราลืมไม่หมดเหรอจะมองแล้วพรนะว า, วานี้นะาาตาดีนะเพนี้ขนดีนะ ใช่ครับก็คือเอามาใช้ผมก็มาใช้บางครั้งบางทีก็เราแบบไปไปเห็นแล้วชอบแล้วก็จะเอามาสัไผัสตัวให้ม่นในจไม่อยู่ตรงกลางครับถ้าเราชอบแสดงว่าเราเราหลงเห็นว่าเขาสวยงามแล้น่าดูแลก็บอกก็ไปข้างในก็คือตอนที่ออกมาใช่ไหมครัแล้วเราเห็นบางคนก็นั่งแล้วก็เห็นแบบไอ้ร่างกายเป็นอ่าค่อยๆเปือยปุบพังแล้วก็ อ่าพิจารณาที่ที่แบบเมื่อกี้เหมือกับอ่าดูว่ามันก็ดูว่ามันไม่แล้วก็นก็ไปเป็นเท่าไปเลยอ่านั่ก็คือเราก็ไอ้นี่หมายถึงหลังจากถ้าเราได้สมาธิแล้วนี่นั่นเวาเราดังแล้วพอจิตเราอ่าเข้าสมาธิได้แล้วพอออกากสมาธิมาน้อย่างเพิ่เราอย่างเพิ่งเริ่มเสร็จแล้วก็เดินมยีปรัชนาต่ออะไรกันอ่ครับใช่ไหม ก็คือถ้าสงบออกมาแล้วก็ออกมาใช่ไหมครับตอนสงบอย่าไปทำอะไรถ้าไม่สงออจะสงบแล้วจะจะเริ่กนี้ล้เนั่อต่อแล้วก็นึกถึงมังกรสายิี่สองนึกถึงอสุภะอะไรไป แล้วบางทีที่อราถ้าไปเอาเอาเอาไฟมาเผาเราก็นั่งมองมันไปเรื่อยๆว่าเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ก็ไม่ก็ดูก็เป็นจินตนาการเป็นภาพใช่ไหยครับอ็มันก็ไหมไปแล้ว<ไ>มันก็เปื่อยไปเราก็ต้องใชใใ้ให้มีอาการเจ็บปวดก่อนแล้วเอาอาการเจ็บปวดนี้มันส่งมาไปเหมือนอาการเจ็บปวดที่เกิดจากไปที่เผาร่างกายครับรเวลาจะได้ยี่แต่ อยู่กับความเจ็บปวดได้โดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านเข้าใจไหมครับครับเพราะเพราะถ้าตอนอยู่ในสมาธิเอ้เวทนามันก็เหมือนไปแก้กับเราแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าออกมาจากสมาธิก็สมาธิแต่ยังไม่เลญกยังไม่เริกจะเดินทางปัญญาต่อก็ได้ในในท่านั่งก็ได้แลอวออกมาเดินจงนความรัพิจรนาก็ได้ คือพิจารณานี้มันมีสองสองเป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือให้มันจดจําความจริงท้าเป็นอะไรแล้วเป้าหมายที่สองก็คือทําข้อสอบทำข้อสอบว่าเราปล่อยวางร่างกายได้ไหมเวลามันเจ็บเปนปวดขึ้นมานี่เราปล่อยวางมันได้ปะครับก็ต้องนั่งรอให้มันนั่งแล้วให้มันเสร็จแต่แทนที่จะลุกว่าัด ปล่อยให้มันเจ็บไปแล้วอยากอยากใจคือผู้รู้ให้รู้เฉยๆรู้ว่านี่น<ภ>เป็นเป็นงธรรมดาของร่างกายมันจะต้องมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นมาถ้า<ภ>พยายามสอนใจอย่าไปยุ่งก็ให้ปล่อยวางใ ห, ให้มันเกิดให้มันจับของมันเองครแล้วจุดหมายของตรงนั้นคือคือมันบางดีเราก็เหมือนจับเราก็นั่งไปเรื่อยๆแต่ว่าสัาพักไปห่ายจไม่ไหวพัก<ว>นะ แต่ว่าต้องรวมไม่กลับไปรวมอีกทีไหมครับเพื่อไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคือว่าพิจารณาเราไม่ได้ไปหวังให้มันรวมแล้วเราพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางให้ไปพินิจให้เรายอมรับความจริงนะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันเป็นอาการที่มันดิจังเป็นอนัตตาใช่แล้วก็อยู่กับมันไปว่าเราห้ามมันไม่ได้สาวมันไม่ได้ัก แต่เวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ยังใช้ปัญญาอยู่ได้ใช้ปัญญาเพื่อเป็นการทบทวนไม่ให้ลืมว่าร่างกายนี้มันมีอย่าการสัมผสเสงเานะมันไม่สวยไน่งานนะมันเกิดแก่เจ็บตายนะอะไรัเป็นเพียงดินน้ำลงไปอันนี้พิจเชิงได้ตอนนี้ก็ต้องมองพยายามมองให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้จำให้ได้ ใช่โด่เวลาเจอเหตุการณ์ที่มันทำท้าทายออกความเป็นความตายเราจะได้รูว่าเราปล่อยวาง ม, มันได้แบบแต่ดีทาเพื่อทำเป็นเพื่อทำการบ้านไว้ก่อนเตรียมโจ้กันก่อนให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเป็นเ พ, เนเพนลิงขาศ์สีนล้ลบุ่นไปที่มารวมตัวแล้วทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาที่จะต้องแก่จะตายติทเอือ เราห้ามันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรามันไม่เราเป็นเพียงผู้ที่มามาใช้ร่างกายเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับการเป็นความตายของร่างกายพิจารณาจนเราจนเราปล่อยวางแตทั้งของเราและทั้งของคนอื่นอย่ไม่ใช่แต่ของเราบางทีเราพิจารณาตัวเราแต่พอไปคิดถึงลูกคิดถึงแฟนขึ้นมาก ตกใจกลัวหัวงเขาเพื่อนอีกรับคับท่านต้องพิจารณาร่างกายของทุกๆคนเราเหมือนกันหมดคับเออต้องเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคับมีเรมีอาการสามยี่สองมอะไรเหมือนกันหมดเป็นดินน้ำนมไฟคับไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวลูกไม่ใช่ตัวแฟนครับตัวลูกตัวแฟนเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มาเการนี้ อป็นตัวจิตที่มาเกาะนั่นเองที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเดียดเรียกพิจารณาให้มันครบคบให้เห็นขันห้าขันห้ารูกก็คือร่างกายให้นาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือใจที่มาเกาะแต่เวลาตายร่างกายตายขันขันขันลูกลูกประขันตายแต่นามขันไม่ได้ตายไปด้วยนามขันก็ยากไป ฝากคามไปอยู่กับใจครับ ม, มันก็ไปอยู่แบบมันก็อยู่ในโลกคิดต่อไปจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่ก็ ม, มาเกิดใหม่มันก่อนคดีผมฟังเหมือนของท่านต่อเขาโสุลล่งนะครับท่านก็บอกว่าเอสังขารที่เป็นความคิดที่มันเวน็นอนิจจังเนี่ยจริงถ้าเราไปดูก็ต้องดูให้เหมือนกับอ่ตัว สมาธิจริงๆก็เป็นสังเที่ยงคะตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาทุกอย่างให้เป็นอนิจจังทั้งหมดอมโอเคเข้าใจขับขับผมนะครับขัับเข้าใจครับนะก็เดี๋ยวคงไปเพยายามไปไปฏิบัติรับแล้วก็บอกแม่จันเป้าแรกเป้าหมายแรกก็คือปล่อยเวทนาและปล่อยร่างกายให้ได้ก่อน เราเข้าไปปล่อยอารมณ์ที่มีในจิตในจิตแล้วก็ในยามมัน ม, มีอารมณ์ที่แปรปวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาพอสงบเราก็เห็นอยู่ครับเมื่อก่อนมันก็จะตามแบบนี้รู้ตามแต่นี้เราก็รู้ว่าเออมั น, ม, นมันก็อยู่ของมันแต่เราก็อยู่กับตัวรู้ของเราเห็นว่ามันก็มีไอไอความคิดที่เมื่อก่อนว่าเราก็ตามมันไปแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เราสงบนะครับก็ ก็ อ, อยู่ไอจุดของเราไอจุดเอง น, นังน่นเอันก็อยู่ขา้างนอกคิดานเป็นใจรักทั้งหมดนะครับเอคิจดนาทั้งอย่างเป็นใจรักสิ่งได้ยินการปรากฏขึ้นเยอะต้องมีการออกไปเป็นธรรมดาครั บ, บเป็นอนัตตาไม่ไปยึดไม่ไ ป, ไปยึดถ้าไม่ถ้าไม่ยึดก็ไม่ถูก ม, มันไม่เป็นสิ่งที่เรากบคุมบังคับได้ไมันเป็นธรมนนธรมชาติอนัตตาเราเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้ากาย แต่เราชอบไปจัดการกับดินฟ้ากาศพอจัดการไม่ได้ก็ทุกข์เยุดจุดความอยากรูอ้ร อ, อย่างเดียวนะครับแ ล, แล้วก็วางรู้ว่าปล่อยวางเป็นเรื่องธรรมดาปรากฏการธรรมชาติทุก อ, อย่างาก็เป็ น, นอันนี้จำได้หมดครับขอบคุณมากครับโอเคสาธุาไปที่สกลนคร คนพิเศษหายไปนานเหมืนกันวันนี้กลับมาแล้วกลาวน้ำมการพระอาจารย์ครับเห็นที่ผมดูผ่านทางเฟซพระอาจารย์ไม่สบายดูอยู่แต่แมื่ดก่อนเห็นเดี๋ผมฟังอยู่ข้างนอกครับพระอาจารย์อืเห็นมีคนหนึ่งเขาผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับมาหลายปีเขาประมาณนี้นะอืแต่เออผมผมเคยเป็น ผมเคยเป็นไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านะคือมันเกิดจากการเครียดจากการทํางานนะครับเป็นการความเครียดตัวเนี้มันเป็นการส่งจิตออกนอกแต่แต่ตรงปัญญาที่มันอับรงแล้วเนี่ยมันมันดูไม่ออกว่าตัวเองสรงจิตออกนอกพอจะมาฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยมันมันจะฝึกไม่ค่อยได้เพราะจิตมันเพ่งไปข้างนอกแต่เราไม่รู้แต่แต่แต่ผมผมแก้ไขตัวเองด้วยกันแต่ผมมั่นใจในเรื่องของสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะแก้ไขความเครียดตัวเนี้ย ก็ผมก็ฝึกพยายามแก้ไขตัวเองด้วยการสําหรับผมนะผมแก้ไขด้วยการที่ผมทําความรู้สึกอยู่กับกายตัวเองทำพยายามหาจุดที่ตั้งของจิตที่ว่าให้มันอยู่ในจุดที่สบายคลายอารมณ์ไปก่อนเพราะว่าเวลาที่เราภาวนาเนี่ยควคิดมันคิดมันหยุดไม่ได้มันหยุดความคิดไม่ได้เลยก็กลังสติไม่พอก็พยายามค่อยๆแก้ตัวเองมาเรื่อยๆค่อยๆหาจุดที่สบายของจิตของตัวเองให้ได้ซะก่อน ค่อยๆอยู่กับกายค่อยๆดึงจิตของเตงให้อยู่กับกายนานๆเข้ามันก็เริ่มสะสมกําลังขึ้นไปเรื่อยๆหนก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้ามองทั่วไปก็เหมือนจะไม่ไม่ไม่มีการขึ้นไม่มีความดีขึ้นแต่ว่าถ้าดูนานๆเราจะเห็นใจของเราเนี่ยสบายไปเรื่อยๆสบายไปเรื่อยๆยังดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมันก็ดีมาตามลําดับนั่นแหละอาจารย์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ย แต่มันต้องใช้เวลาที่หนาเหมือนผลูกท่ญญไ น, ไนไม้อะผลูกท่านไม้แล้วจะปลูกปัีญาปัญญาต่อเลยครับก็ก็ใช้เวลานานอยู่เพราะว่าปัญญามันอัดลงไปแล้วมันนานมาก <c oughs> แ, ตแต่ผมไม่ผมก็ต้องฝึกอยู่อยู่เรืยฝึกฝึกไม่หยุดเลยเพราะรู้แล้วว่าสติเราเราเสียหายละก็ฝึกมาเรื่อยๆ <c oughs> ผมเลยขดีขึ้นครับอาจารยา์ <c oughs> แล้วก็เอการนอนไม่หลับมันก็หายไปแล้วก็นอนหลับขึ้นเพราะว่าความเครียดตอนนั้นมันลดลง ครับพ่าจ๋ามันก็จะประมาณเนี้เพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมจะใช้แบบว่าทําความรู้สึกอยู่กับกายแล้วก็ค่อยๆคลายอารมณ์ตัวตัวเองออกพอคลายอารมณ์ตัวเองไปคลายอารมณ์ตัไปเนี่ยสัญญาณมันก็ดับลงไปแล้วก็หลับลงไปผมก็ใช้วิธีการประมาณนี้ครับพ่อจ๋าก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเหมันกับว่าจุดเทียนขึ้นมาแล้วเราก็ใช้แก้วครอบลงไปใช้แก้วครอบลงไปเนี่ยพอพอพอเอ่อเอ่อพวก คันมันขึ้นเนี่ยมันก็จะลดอากาศลงเทียนนั่นก็ค่อยๆหลีลงหีีลงแล้วก็ดับลงไปเรานอนเราก็ทํากำหนดจิตอย่างนั้นเหมือนกันค่อยๆทําแล้วก็จิตเราจะค่อยๆคลายลงบอกแล้วก็หลับลงไปเข้าไปผมก็แก้ไขประมาณนี้ครับไปให้มันหยุดคิดให้ได้พราอมันหยุดคิดคมันก็จะหลักไปครับครับก็จะทําประมาณนั้ <Okay. S 1> นโอเคประมาณนี้กันมีแค่นี้ขอให้พ่อท่านพ่าจาอจําแข็งแรงนะพ่อจามนะครับ คนรีคนีีเพิ่งเข้ามารีศรีราชารีไปไหนเอ่ยกลัมาแล้วกล <ST>. ับมาสกแก น, นะอาจารย์เจ้าค่ะหนูเข้าดึกไปหน่อยเจ้าค่าะรีพอดีหมดคนพอดีเลยเจ้าค่ะลูกเข้ามามาฟังธรรมะเจฟังอยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วเพิ่งจอดอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งกลับมาอย่ า, า, ย า, ายทำงานเลยอ๋อหนูกลับมานานแลนะค่ะแล้วก็ อยู่บ้านคุณแม่อเออที่พระอาจารย์แนะนำเวลาหนูเดินจงกลมระหว่างที่ปฏิบัติงานก็ดีขึ้นจ้ะค่ะก็คือเราไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเราใช้เท้าแบบซ้ายขวา<ง>พุโทโกอง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะแต้มันไม่ทำให้เราแบบเหมือนต้องคอนโทรลหลายหลายอย่างหลายอย่างะ ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากอาจารกายเราทำอะไรก็ดูร่างกายไปก็ได้ถ้ามันไม่ได้เดินมันทํางานขยับนุ่งขยับนี่ก็ดูการทํางานของร่างกายไปนะคะให้เราสังเกตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาไหมในขณะที่มันอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวหรือทาอะไรก็เต้าดูมันไปเหมือนเดินลงบกนะคะ พยายามจ้าค่ะบางทีแต่ว่าจิตมันคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวต้องดึงกลับมาบ่อยๆพยายามดึงให้มันอยู่กับร่างกายมันจะได้ไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค้าพอดีลูกมีเรื่องอยากจะกลับเรียนถามพอดีน้องหมาของบ้านญาตะะิค่ะเขาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วตอนนี้มันเหมือนกระจายไปทั่วตัวแล้วน้องเขาก็ ทรมานมากนะคะก็คือร้องแบบเขาคงเจ็บปวดมากแล้วอยู่ไม่ค่อยไหวอันนี้ญาติเขาก็กําลังคิดอยู่เพราะเขารักหมาตัวนี้มากว่า <c oughs> จะแนะนําว่าเอ๊จะให้คุณหมอเขาฉีดยาให้น้องเขาหลับไปดีไหมแต่ก็กลัวเรื่องพวกนี้มากะคะ่ะ <c oughs> เราก็ได้มีการคุยกันหนูก็เลยบอกหนูก็ไม่กล้าแนะนําเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นกรรมของเขา่าเขาก็ต้องชดใช้หรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าเขาไม่มาปรึกษาเราเราก็ไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปา ถ, าถ้าตามหลักธรรมก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปจัดการกับชีวิตของคนอื่นอย่าไปทำลายชีวิตของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเขาทอลมาขมา น, นาดไหนก็ตามตรงนั้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะได้ใช้เป็นบทฝึกหัด อเกิดมาแล้วมันทุกขทรมารย์เนี่ยปอบอาจจะไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วอืมค่ะเจ้าค่ะเลือดอาจจะทำํทำทําใจมันปวดมากๆแล้วยที่สุดใจมันก็จะทําใจยอมปวดเองพอยอมปวดกัน่าหุกข์ทรมารอืมอืมเจ้าค่ะเขาก็คงผูกพันของเขาอะค่ะอยู่กันมาสิบกว่าปีอยู่กินนอนด้วยกันตลอดเขาเลยไอ้นคนที่ ไอคนที่ดูนะมันท ร, รมานมากกว่าเห็นเนนนขาท ร, รมานแล้วตัวเองก็เลยยิ่งท ร, รมานใหญ่น่าจะอย่างงั้นที่ทนไม่ไหวไม่ใช่ไม่ใช่ความทนความท ร, รมานของหมาหรอกความทไมานของเจ้าของของเจ้าของเจ้าของไม่อยากท ร, รมานก็เลยฆ่าหมานะเจ้าค่ะเขาก็คงแบบสงสารมันมากคงมีแบบความสงสารจนจนจนเกิดสงสารก็สงสารก็ดูแลเข้าไปถึงเงี้ยเข้าไป เไค่ะเดวคะไม่มีคำถามเจ้าค่ะกราบกราบท่านอาจารย์เดวค่ะโอเคค่ะค่ะไปที่คุณชนะชนะที่มาถูกเยอะนะนะมาสกาบท่านอาจารย์ตอนนี้ลูกก็ไม่มีคาถามครับมาแรงงานการปั่นจิบัตรตอนนี้ลูกใช้การดูกายครับดูเข้าถัดกายครับโอเคดีมาก ก็<น>ไม่ไที่ดไปครับให้แบบกลับมาที่กายตลอดครับเออดีแล้วก็นั่งสมาธิด้วยดูลมหายใจเขา้าครับอาจารย์ครับก็เหมือนจะเข้าได้กับมันก็ช่องไม่ได้เหมือนที่คอเคยชข้าได้ครับอย่าไปหวังดูมีหน้าที่ดูลมก็ดูไปมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปมันเป็นจะเข้าไม่เข้านีไา่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปบางครั้มันได้ครับอาจารย์ครับสองอาจารย์ท่าแข็ง ภาพแข็งแรงนะครับสำรับสาธุอาจารย์ตอนนี้ไปที่คุณหนาได้แล้วเ b o o k YouTube เจ้าค่ะมีคำถามทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวาสนาน้อมกราบเรียนถามครับการทำบุญที่แบบว่าพ่อแม่ใช้แกมบังคับให้ลูกไปใส่บาตรแล้วลูกไปใส่บาตรแบบหน้าตาอารมณ์หงุดหงิด แบบนี้ลูกและพ่อแม่จะได้บุญหรือจะเป็นบาปครับน้องกราบขอบพระคุณที่พระอาจารย์เมตตาครับ อ, อ๋อได้บุญเพียงแต่ว่ายังไม่ได้บุญเต็มที่ได้บุญครึ่งเดียวมันยังไม่มันยังไม่แฮปปี้ happy. แต่ถ้าทำแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้มันก็จะได้บุญเต็มร้อยแต่ต้องฝึกไว้ก่อนองไงที่ให้เพื่อนบางทีบางคนเราไม่ชอบทำของบางอย่าง ก็ต้องฝืนต้องคร้บให้เขาทำไปหัดทำไปทำไปต่อไปเขาก็จะทำแล้วมันก็จะเคยชินมันก็จะแล้มันก็จะสามารถทำได้แต่ันนี้ก็ไม่แน่นะแต่คนนะบางคนมันชอบทำบาปไม่ยากชอบทำอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลามันถึงเวลามันโตขึ้นมันไม่มันไม่มันไม่ยินดีกับการทำบุญเพราะมันไม่ชอบทำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไป หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือต้องสอนลูกให้รู้จักทำบุญคนลูกจะสามารถรับไปทำต่อได้ไหรือไม่ก็อั น, นี้ก็รับแผ่เลือกแล้ว แ, แต่กรรมของลูกก็แล้วแต่คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนาวานาวีจะใช้นิมิตอสุภะเพื่อให้เกิดยานต้องทำอย่างไรเจ้าคะเออตอนนี้คิวบ่อยๆซึ่งคืออสุภะอยู่เรื่อยๆ นั่งหลับตาก็เห็นนืมตาก็เห็นมันก็เกิดมันก็จะเกิดยานขึ้นมาเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามเลยว่าร่างกายทุกคนก็คือสรางศพดีๆนี่เองตอนนี้เพียงแต่ว่ายังหายใจได้อยู่ก็เลยยังมีการคอยชำะนะระสิ่งสมบุกต่างๆที่มา ท, ที่ออกมาจากทางร่างกายอยู่แต่พอตายไปนะก็ไม่มีใครมาชำระให้นะ คำถามต่อไปจากคุณซับตราหนูพยายามระลึกไว้ว่าถ้าพ่อแม่ตายจะอย่างไรหนูพยายามนึกเตือนสติตัวเองเรื่อยๆค่ะช่วงพระอาจารย์ไม่สบายหนูก็คิดเหมือนกันแบบนี้จะเป็นธรรมะหรือเป็นบาปไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอก็เป็นธรรมะาความตายนี่เป็นความจริงทุกคนเกิดมาล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคน คิดอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้อดทำใจยอมรับของความจริงให้ได้ถ้าเรายอมรับได้เวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจไม่เศร้าใจคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณทีคัธนาเมื่อโยมทราบว่าพระอาจารย์ป่วยจากพี่เอที่ใสาบาดจิตก็พิจารณากำหนดได้อัตโนมัติว่าเป็นธรรมดาไม่เที่ยงและพิจารณาต่ออีกว่า พระอาจารย์ได้แสดงธรรมให้สิทธุทุกคนเห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอนการที่จิตของเราพิจารณาเป็นอัตโนมัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะสุดท้ายน้อมผลบุญที่ลูกได้ทํามาดีแล้วสมบูรณ์แล้วน้อมถวายบูชาให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงโดยไว้ด้วยเทินน้อมกราบนมัสการเจ้าคะ่ะถูกต้องแล้วจ้ะ คิดว่าทุกคนข้างเขาทั้งเราในที่สุก็ต้องพบกวับความแก่ความเจ็บควางตายด้วยกันติกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นวันนันแหละคาถามสุดท้ายค่ะจากน้องหลินหลินพระอาจารย์คะพออวัยวะหายไปตอนแรกปวตายพอไม่ตายเหมือนโดนขังในร่างกายที่มีปัญหาเหมือนหาวิธีใช้ร่างกายที่มีปัญหา เมื่อเปิดตาทํางานหาเงินใช้หนี้ต่อไปส่วนตัวพร้อมทิ้งร่างกายเจ้าค่ะแบบนี้ใจหนูยังอยู่กับร่างกายแบบนี้หนูยังไม่ปล่อยร่างกายใช่ไหมเจ้าค่ะหนูต้องทําสมาธิเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ร่างกายเจ้าค่ะก็ถ้าเราอยู่ไปไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ ถ, ถ้าทุกข์ก็นำวิญายามทําสมาธิทําจิตให้สงบ ม, าา ม, าามันก็ยาก ไม่ทุกขกับการต้องอยู่กับร่างกายไปได้ <Okay. S 1> ถึงแม้เรา <Yeah. S 1> จะยอมรับว่าร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอยู่กับมันอย่างทุกข์อยู่สแสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอก็ต้องไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วยอมรับว่าร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละ mm hmm. มีไหม mm hmm. บนนั่นเลยของถารบญชา ห ม, okay. หมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้ววันนี้เจ้าคิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด